เาจะเดินพรได้ยินไหมใครไม่ได้ยินยกมือไม่เค่อยได้ยิ น, นยกมือไม่ได้ยินเจสบอกไม่ได้ยินเลยพวกเราพร้อมที่จะฟังธรรมหรือยัง การฟังธรรมฟังด้วยใจที่สงบสัารวมเป็นการแสดงความเคารพในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าฟังธรรมไม่ต้องพันมมือก็ได้นะนั่งให้สบายนั่งรู้เนื้อรู้ตัวไปธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของสูงเป็นของประณีตเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านจำแนกแจกธรรม ท่านจำแนกแจกธรรมตามภูมิจิตภูมิธรรมของคนฟังฉะนั้นธรรมะแท้ๆที่ท่านแสดงออกมาเนี่ยมันจะพอดีพอดีกับคนฟังถ้าคนฟังมีภูมิจิตภูมิธรรมสูงจิตใจสงบอะไรเงี้ยธรรมะที่จะท่านจะแสดงมันก็จะประณีต น, นี่หลวงพ่อไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอกนะแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านก็สอนการแสดงธรรมการฟังธรรมต้ก็มีสมาธิ ธรรมะของพระพุทธเจ้าจะเป็นของอัศจรรย์ของที่หาได้ยากในโลกถ้าจจะว่าไปคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเรียกว่าเป็นาศาสนาก็ได้เรียกว่าไม่ใช่าศาสนาก็ได้ไม่สําคัญว่าจะเป็นอะไรหรอกในความเป็นจริงแล้วมันเป็นาศาสตร์แห่งความพ้นทุกข์ถ้าเราเข้าใจาศาสตร์แห่งความพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เราก็าจะสามารถมีชีวิต แบบทุกข์น้อยน้ยมีความทุกข์น้อยลงน้อยลงมีความทุกข์สั้นลงสั้นลงหรือถ้าสมบูรณ์แบบที่สุดเราศึกษาปฏิบัติทำได้เต็มร้อยเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปความทุกข์จะเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายแต่ความทุกข์ทางใจจะไม่มีวิธีการปฏิบัตนะิที่ท่านสอนไว้มันจะอยู่ในหลักของตจศีรษะท่านนั่นเองคือหลักของศีลเป็นการฝึก ข่มใจไม่ให้ทําตามใจกิเลสอยางจะถือศีลต้องข่มใจไม่ให้ทําตามใจกิเลสกิเลสจะมายัว่วให้เราทําความผิดะเราไม่ทําอันนี้ต้องตั้งใจไว้ก่อนหลักตัวที่สองก็เรียกว่าจิตศิกขาเราต้องมาเรียนเรื่องจิตใจของเราทํายังไงจิตจะสงบทํายังไงจิตจะตั้งมั่นจิตที่ไม่สงบจิตมีความฟุ้งซ่านไม่สามารถเจริญปัญญาได้ จิตที่มีความสงบและมีความตั้งมั่นสามารถเจริญปัญญาได้เมื่อจิตเราพร้อมแล้วนะเราก็ต้องมาพัฒนาสู่การเรียนรู้ขั้นที่สามทย่ว่าปัญญาสิกขาท่านสอนวิธีที่จะให้เราเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจถ้าเราได้รู้ความจริงของกายของใจได้มันจะพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรได้ นี่ถ้ามองไปเนี่ยเรื่องสีนเนี่ยเป็นเรื่องการควบคุมกายวาจาจิตศิกขาปัญญาศิกขาเนี่เป็นเรื่องการพัฒนาจิตใจของเราจิตสิกขาเป็นการพัฒนาจิตให้สงบให้ตั้งมั่นนะก็เป็นเรื่องของสมถกรรมฐานปัญญาศิกขาเป็นเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานเน้นงานที่เราจะทําทางจิตใจเนี่ยมีอยู่สองงาน งานหนึ่งชื่อว่าสมถกรรมฐานงานหนึ่งชื่อว่าวิปัสสนากรรมฐานสองงานนี้ไม่เหมือนกันคนในโลกนี้นกระทั่งในาศาสนาต่างๆเนี่ยเขามีสมถกรรมฐา น, นมีเยอะแยะเลยไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรแต่สิ่งที่ในคำสอนอื่นๆไม่มีคือวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนเป็นการฝึกเพื่อพัฒนาจิตใจให้สงบ ให้มีความสุขให้มีความตั้งมั่นคนในโลกมีแต่ความเร่าร้อนเพราะฉะนั้นถ้ามาฝึกให้จิตสงบจิตตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาได้แค่นี้ก็มีประโยชน์มากแล้วแต่ว่าความสุขความสงบที่เกิดจากสมาธินี่เป็นของที่สั้นมากเลยพอออกจากสมาธิเมื่อไรจิตใจก็จะเร่าร้อนมีความทุกข์ขึ้นมาได้อีกจะไม่เหมือนกับการพัฒนาจิต ในขั้นเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจของาธาตุขันธ์ถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจของาธาตุของขันธ์ได้เรียกว่ามีปัญญาแล้วเนี่ยจิตจะหมดความยึดถือในกายในใจเมื่อจิตไม่ยึดถือในกายในใจจิตจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายจิตจะไม่ทุกข์เพราะจิตใจอีกต่อไปเรียกว่าจะไม่มีอะไรมาทําให้จิตใจมีความทุกข์ได้อีกต่อไปจิตจะมีความสุขที่ถาวร เปความสุขที่ถาวรไม่เหมือนความสุขของสมาธิเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวตราบเท่าที่จิตยังทรงสมาธิอยู่พอออกจากสมาธิจิตก็ฟุ้งซ่านจิตก็มีความทุกข์ใหม่แต่การเจริญปัญญานั้นถ้าจิตไม่ปัญญาอย่างแท้จริงจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงแล้วจิตจะไม่ทุกข์อีกต่อไปความทุกข์จะเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าพวกเรามีโอกาสเราอย่าหยุดตัวเองอยู่แค่การทําความสงบการนั่งสมาธิ ศา ส, สนาพุทธไม่ได้มีอยู่แค่การนั่งสมาธิให้ใจนิ่งอันนั้นมันง่ายมากไปการทำสมาธิให้จิตสงบให้จิตนิ่งนจิตใจมีความสุขความสุขอย่างนี้มันเหมือนความสุขของเด็กเด็กซุกซนนะเด็กไร้เดียงสาเด็กซุกซนไปวิ่งเล่นมากๆพอมันเหนื่อยกลับมาอยู่นิ่งๆได้พักผ่อนมันรู้สึกมีความสุขพอมีเรี่ยวมีแรงมัออกไปซนอีกจิตที่ทรงสมาธิมันเหมือน มีความสุขเหมือนเด็กเด็กที่สุกสนแล้วก็กลับมานอนหลับมีตอนหลับก็รู้สึกว่าดีสงบมีความสุขดีประเดี๋ยวก็ซนใหม่ซนความสุขจากการเจริญปัญญานะั้นเป็นความสุขเหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ซึ่งเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกนะเมื่อมีความเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกมันมีความอิ่มมีความเต็มมีความสมบูรณ์มีความพออกพอใจอยู่ในตัวเอง นะจิตไม่ดิ้นรนจิตไม่หวิวโหยมันไม่ใช่ความสุขไร้เดียงสาแบบเด็กๆเพฉะนั้นพวกเราไม่ควรจะหยุดตัวเองอยู่แค่การหาความสุขความสงบจากสมาธิเท่านั้นแต่ถ้าทำอะไรไม่ได้ได้แค่สมาธิก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะแต่ศาสนาพุทธไม่ได้ตื่นแค่นั้นหรอกมันเป็นความสุขที่เต็มที่อิ่มนะเหมือนผู้ใหญ่ซึ่งประสบความสาเร็จในชีวิตแล้วแล้วก็ไม่แปรปลีนอีกต่อไปแล้ว งั้นเราต้องมาเข้าถึงสิ่งนี้ให้ได้ถึงจะคุ้มค่าที่พวกเราได้รู้จักพระพุทธศาสนาวันนี้หลวงพ่อจะพูดให้ฟังนะถึงหลักของการปฏิบัติทั้งสองแบบทั้งหลักของการทําสมถะธมฐานคือการฝึกให้จิตสงบจิตตั้งมั่นกับการฝึกให้จิตเกิดปัญญาเห็นความจริงของชีวิตถ้าเห็นความจริงของชีวิตได้เราจะพ้นทุกข์ได้ถาวร น, นะแต่ถ้าสงบเราก็จะมี ความสุขมีความพ้นทุกข์ได้เฉพาะเท่าที่อย่างสรงสมาธิอยู่งั้นกรรมาฐานนั้นมีสองกรรมาฐานงานทางใจเนี่ยมีสองงานงานทําความสงบกับงานทําให้เกิดปัญญาการทําความสงบจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยธรรมดาจิตไม่เคยสงบจิตจะวิ่งพล่านๆไปตลอดเวลาวิ่งแสวงหาอารมณ์ที่เป็นสิ่งที่คิดว่าจะนําความสุขมาให้ เดี๋ยวจิตก็วิ่งไปดูรูปเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปฟังเสียงเดี๋ยวก็วิ่งไปดมกลิ่นเดี๋ยวก็วิ่งไปลิ้มรสเดี๋ยวก็วิ่งไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งทางใจในจิตมันจะวิ่งพล่านอยู่ในหกช่องทางนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจการที่จิตต้องวิ่งพลานพลานไปทางสวรรค์ทั้งห เหมือนเราอยู่ในบ้านมีประตูหกช่องนะเราวิ่งเข้าประตูโน้นออกประตูนี้ตลอดเวลามันเหน็ดเหนื่อยมากหาความสุขหาความสงบไม่ได้ก็ต้องมาฝึกจิตให้มีความสุขมีความสงบขึ้นมานะเคล็ดลับของการฝึกจิตให้สงบนะเราก็ต้องเข้าใจความจริงก่อนการที่จิตมันวิ่งพล่านไปทั้งหกช่องทางทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะั้นมันวิ่งหาความสุขแต่มันไม่พบความสุขที่แท้จริง วิ่งไปดูหวังว่าจะมีความสุขมันไม่พบความสุขน้ะเดี๋ยวมันก็วิ่งไปฟังวิ่งไปฟังแล้วหาความสุขไม่ได้มันก็วิ่งไปคิดสลับไปสลับมามันหาความสุขนั่นเองงั้นถ้าเรารู้หลักอันนี้แล้วรู้เคล็ดลับอันนี้แล้วการที่จะทําจิตให้สงบเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการจะทําสมาธิใช้เวลาแวบเดียวลิ๊ตาเดียวจิตก็เป็นสมาธิได้แล้วถ้ารู้เคล็ดลับ เคล็ดลับนี้ไม่ค่อยมีใครบอกกันนะมีแต่บอกให้ฝึกให้นานๆไปแล้ววันหนึ่งก็เข้าใจขึ้นมาทําได้ขึ้นมาแท้จริงมันมีหลักนิดเดียวเองแต่กว่าหลวงพ่อจะได้หลักตัวเนี้หลวงพ่อฝึกสมาธิทําสมถะกรรมฐานอยู่ทั้งหมดตั้งยีิบสองปีถึงได้เคล็ดลับของการทําสมถะกรรมฐานทําความสงบจิตเมื่อจิตมันชอบอารมณ์ที่มีความสุขมันก็วิ่งไปหาอารมณ์ที่มีความสุขทําไมเราไม่หาอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อมัอนซะเอง งั้นถ้าเราก็มาสังเกตตัวเองดูว่าถ้าเราอยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งนะแล้วจิตใจมีความสุขเราก็หาอารมณ์นั้นแหละมาให้จิตอยู่คนไหนอยู่กับพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธแล้วจิตใจมีความสุขเราก็มาบริกรรมพุทโธคนไหนรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าแล้วมีความสุขเราก็มารู้ลมหายใจคนไหนขยับมือนะทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเจียน หรือจะดูท้องผ่องยุบนะหรือบางคนเดินจงกรมแล้วมีความสุขบางคนสวดมนต์แล้วมีความสุขบางคนคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอาสุพะแล้วจิตใจมีความสุขเราก็ดูตัวเองว่าเราทำกรรมฐานอะไรแล้วเราจะมีจิตใจมันมีความสุขเราทำกรรมฐานอันนั้นแหละนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะว่าต้องรู้จักเลือกอารมณ์ของกรรมฐาน ทางใครทางมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเรียนแบบการทํากรรมฐานของคนอื่นทุกคนมีทางของตัวเองต้องสังเกตเอาเองคนไหนหายใจรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขแล้วก็รู้ลมหายใจคนไหนพุโทโธบริกรรมไปมีความสุขเขพุโทโธหรือบริกรรมไปบริกรรมอะไรก็ได้นะบริกรรมกระทั่งชื่อคนอยังได้เลยอะไรก็ได้ ถ้าถ้าหากจิตใจมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นจิตมันจะสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนั่นแหละคือหลักของสมถกรรมฐานยกตัวอย่างอย่างเรามาฝึกหายใจรู้ลมหายใจถ้าเราบางคนรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าแล้วเครียดอันนี้ไม่เหมาะที่จะทําทกรรมฐานรู้ลมหายใจต้องสบายอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็ก อายุเจ็ดขวบหลวงพ่อหายใจะฝึกหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยจิตมันชอบการรู้ลมหายใจเพราะจิตมันชอบการรู้ลมหายใจจิตก็ไม่หนีไปที่อื่นจิตสงบอยู่กับลมหายใจเนี่ก็คล้ายๆจิตนั้นคล้ายๆกับเด็กเด็กมันวิ่งไปซุกซนนะเราหาขนมมาล่อมันะหาขนมที่อร่อยๆที่เด็กคนนี้ชอบเด็กอาจจะชอบกินไอติมอะไรเนี้ย บอกให้มันมานั่งกินไอศครมอยู่แล้วมันก็ไม่หนีไปซนที่อื่นนี่ยมันก็อยู่ที่เดียวเพรนั้นหลักของสมถะมันมีนิดเดียวเองนะรู้จักเลือกอารมณ์แล้วต้องดูตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วจิตใจมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นบ่อยๆจิตก็ไม่หนีไปที่อื่นง่ายนิดเดียวเองเพราะว่าจิตนั้นต้องการความสุขที่วิ่งสุกซนไปฟุ้งซ่านไปก็วิ่งหาความสุขแต่มันหาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราลองดูตัวเองนะ จะใช้อะไรก็ได้หลักของสมถกรรมฐานจะใช้สวดมนต์ก็ได้นะจะร้องเพลงแบบพวกชาวคริสต์เขร้องเพลงก็ได้จะคิดถึงพระเจ้าอย่างที่มุสลิมเขาคิดถึงเขาทาพิธีละหมาดวาละห้าครั้งอะไรอย่างนี้ก็ทําได้คือถ้าจิตเขาคิดถึงพระเจ้าแล้วเขามีความสุขจิตเขาก็สงบก็ได้สมถกรรมฐานเป็นอันเดียวกันหมดเลยนะเรื่องสมถกรรมฐานนี่เป็นเรื่องที่ง่ายมากเลย ขอให้รู้จักเรื่องอารมณ์ที่จิตมีความสุขแล้วอยู่กับอารมณ์นั้นน่ะจิตจะไม่หนีไปที่อื่นจิตก็จะสงบอยู่ในอารมณ์ัเดียวสมถะกรรมฐานน่ะจิตจะมีสมาธิชนิดที่หลวงพ่อขอใช้คําว่าชนิดที่หนึ่งก็แล้วกันสมาธิมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งเนี่ยคือจิตสงบอยู่ในอารมณ์ัเดียวอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้บังคับไว้มีเคล็ดลับอยู่ที่คําว่าไม่บังคับนะอย่างถ้าเรา จิตไม่ชอบลมหายใจเลยไปรู้ลมหายใจแล้วไม่ชอบนะั้นอยากหนีไปที่อื่นเราบังคับไว้จะให้อยู่กับลมหายใจจิตจะไม่สงบแต่ถ้าจิตชอบรู้ลมหายใจเรารู้ลมหายใจไปจิตจะสงบนะงั้นหลักที่จิตสงบนะมีจิตเป็นหนึ่งอยู่ในอารมณ์เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนะหนึ่งต่อหนึ่งนะอยู่ด้วยกันไม่มีอารมณ์เป็นสองเป็นสามอะไรนะแล้วก็เลือกอารมณ์นะจิตสบายอยู่ในอารมณ์เดียวได้ความสุขได้ความสงบขึ้นมา ในความสุขความสงบจากการใช้อารมณ์กรรมฐานแต่และอย่างเนี่ยมันไม่เท่ากันอย่างถ้าเราสวดมนต์หรือเราบริกรรมพุทโธเนี่ยเราได้ความสุขความสงบตื้นตื้นะไม่ลึกแต่ถ้าเราใช้ลมหายใจใช้อานาปนานสติเวลาหายใจเข้าไปนะทีแรกลมหายใจ ย, ยาวหายใจหายใจตามธรรมชาติอย่าบังคับลมหายใจหายใจไปสบายสบายหายใจแล้วรู้สึกตัว นะรู้สึกตัวไปอย่างสบายๆเห็นร่างกายหายใจลมหายใจตามธรรมชาติของเรานะเริ่มต้นมันจะยาวนะยาวถ้าเราไม่ได้บังคับไม่ได้กดขม่มมันหายใจสบายๆมันจะมีความรู้สึกเหมือนก่าลมหายใจมันไหลไปถึงท้องเลยนี่พอหายใจพอพอจิตเริ่มสงบเนี่ยลมมันจะสั้นขึ้นเรื่อยๆจะตื้นขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกเนะี่ยแล้วลมหายใจก็จะเหมือนกับหยุดนิ่งแปลสภาพไปกลายเป็นแสงสว่าง ตรงที่เรามีสติรู้ลมหายใจเนี่ยตัวลมหายใจเนี่ยเรียกว่าบริกรรมนิมิตนะพอมันแปลสภาพของลมหายใจมาเป็นแสงสว่างขึ้นมาเรียกว่าอุขหานิมิตการที่จิตของเราเข้าเคลียร์อยู่กับดวงนิมิตนี้มีวิตกกคือตรึกอยู่ในดวงแสงสว่างมีวิจารคือมีใจเข้าเคลียร์อยู่กับแสงสว่างโดยไม่ได้บังคับจิตจะค่อยมีปีติมีความสุขอะไรขึ้นมา จิตจะเริ่มสงบมากขึ้นมากขึ้นนะแล้วมันสามารถจะขยายแสงสว่างนี้ให้ใหญ่แค่ไหนก็ได้ให้เล็กแค่ไหนก็ได้จิต ท, ที่เล่นตรงนี้ได้นะเรียกได้ปฏิภาคนิมิตตรงเนี้ยคืออุปจาระสมารถิแต่จางนั้นมีปีติมีความสุขขึ้นมาจิตเข้าอัปปนาสมาธิออกจากอัปปนาสมาธิมามาฟุง้งซ่านใหม่ น, นี่คนไปติดสมาธิอยู่ออกจากสมาธิมานิสัยจะร้ายร้ า, ายนี่มันจะออกมามากเลย ถาตอนที่เราทําสมาธิทําความสงบไว้มันเก็บกดอยู่มันขม่มความรู้สึกของตัวเองอยู่งั้นการที่ทําสมะาถะกรรมฐานเะนี่ยมีข้อดีคือจิตใจได้มีความสุขมีความสงบแต่ถ้าไม่ระมัดระวังนะไปติดในความสุขความสงบนั้นนะ่พะพอเราออกจากสมาธิมาอยู่กับโลกข้างนอกนะอารมณ์จะหงุดหงิดง่ายพออยู่ข้างในมันสบายออกมาอยู่ข้างนอกแล้วมันกระทบอะไรนิดเดียวโมโหเลยนะงั้นมันก็มีข้อที่ต้องระมัดระวัง เวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปพักผ่อนพอสมควรอย่าไปติโอกติดใจนานนะให้เจดใจได้พักผ่อนเท่านั้นแหละนั่นคือที่พักมันไม่ใช่ที่ทํามาหากินพัฒนาจิตใจอะไรมากกว่านั้นหรอกแต่ว่าถ้าจิตไม่ได้พักเลยจิตจะไม่มีแรงนะนี่ถ้าเราฝึกสมาธิชนิดนี้ได้เราก็ฝึกถ้าเราฝึกไม่ได้มันยังมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิชนิดที่สองนะ เป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิชนิดนี้หายากมากคนในโลกนะหายากมากเลยที่จะมีสมาธิชนิดที่สองนี้ที่ในภาษาบาลีเขาจะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานสมาธิอย่างแรกเขาเรียกอารัมมณูปนิชฌานจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิอย่างที่สองนี่ลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้ สมาธิชนิดนี้หายากมากเลยนะเมื่อสักสามสิบปีก่อนนะี่ยหลวงพ่อฝึกเพื่อนๆไว้กลุ่มหนึ่งนะจนกระทั่งเขาได้สมาธิชนิดนี้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเวลาพากไปหาครูบาอาจารย์ไปกราบครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านหันมามองเลยจิตท่านไหวนะถ้าท่านเห็นปั๊บท่านหันมาดูเลย อ, อุทานเลยนะว่าไปรวมตัวกันมาได้ตั้งเยอะเนะี่ยตั้งสิบคนนะสิบคนก็เยอะแล้วนะ แต่ปัญหายากจริงๆเลยคนในโลกไม่มีหรอกสมาธิชนิดนี้ไม่รู้จักเอาด้ยซ้ําไปนะสมาธิชนิดนี้เนะี่ยจิตจะตั้งมั่นอยู่จิตเป็นหนึ่งนะแต่อารมณ์เนี่ยเท่าไหร่ก็ได้อารมณ์ร้อยอารมณ์พันอารมณ์แสนอารมณ์ล้านอารมณ์ก็ได้นะจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยไหลผ่านไปจิตเป็นแค่คนดูเหมือนเราดูหนังเราเห็นภาพในจอหนังเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราเป็นแค่คนดูสบายๆคนดูเป็นตัวเรามีอยู่คนเดียว สมาธิชนิดนี้เราต้องพัฒนาขึ้นมานะถ้าเราไม่มีสมาธิชนิดนี้เราจะไปทํำวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้จริงหรอกสมาธิชนิดนี้อาภัพนะคนไม่รู้จักหรอกนี่วิธีฝึกที่จะให้ได้สมาธิชนิดนีนะ้ก็คือให้คอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปจิตมันไหลไปธรรมชาติของจิตเนี่ยเคลื่อนที่ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิด ใครเคยเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาได้บ้างมีไหมไปลองสังเกตนะอย่างขณะนี้ฟังหลวงพ่อเทศบางครั้งก็มองหน้าหลวงพ่อใช่ไหมจิตวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อบางครั้งก็ตั้งใจฟังจิตไปอยู่ที่การฟังฟังสองสามคำสองสามประโยคก็สลับไปคิดฟังกับคิดสลับกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็เคลื่อนไปดูเดี๋ยวจิตก็เคลื่อนไปฟังเดี๋ยวจิตก็เคลื่อนไปคิด ค่อยๆสังเกตอย่างนี้ไปเรื่อยๆนในที่สุดเราจะรู้เลยว่าจิตนี้มันเคลื่อนไปตลอดเวลาหลวงปู่ดูลเรีจิตที่เคลื่อนไปนี่ว่าจิตที่ส่งออกนอกนะมันทีมก็เคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปคิด น, นี่ทํำยังไงเราจะสามารถฝึกจนเราสามารถเห็นจิตที่เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วมันมีวิธีง่ายๆนะเราทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนที่เคยทําตอนทําความสงบนั่นแหละ เคยหัดพุทโธก็พุทโธเหมือนเดิมเคยรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจเหมือนเดิมเคยเดินจงกรมก็ไปเดินจงกรมเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือจิตแต่เดิมนั้นเราพุทโธพุทโธเพื่อให้จิตไปรวมกับพุทโธหายใจเพื่อให้จิตรวมเข้ากับลมหายใจจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งต่อไปนี้เอาใหม่มาพุทโธพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดเช่นเราําลังพุทโธพุทโธแวบเดียวมันไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันว่าจิตมันหนีไปคิด ทันทีที่รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตที่เป็นสมาธิชนิดที่สองหรืจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบ tense, ิกบานเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจิตที่รู้กับจิตที่คิดนั้นตรงข้ามกันจิตที่รู้กับจิตที่คิดเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันเมื่อไร่จิตคิดเมื่อนั้นจิตไม่รู้เมื่อไร่จิตรู้เมื่อนั้นจิตไม่คิดนั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดทันทีที่รู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนี่ จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนะตัวนี้สําคัญมากเลยนะถ้าหากเราไม่มีจิตชนิดนี้เนี่ยเราเดินวิปัสสนาไม่จริงเราจะไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้หรอกนะรรคผลนิพพานเป็นของที่มีจริงๆนะไม่ใช่โลกอุดมคติไม่ใช่ยูโทเปียอะไรที่เอาไว้หลอกเด็กแต่เป็นของที่มีจริงๆแต่จิตเราต้องตั้งมั่นซะก่อนเมื่อเราต้องมาฝึกสมาธิชนิดที่สองนี้ให้ได้นะ เวลาจิตหนีพิคิดแล้วคอยรู้ทันหรือถ้าไม่ชอบพุทโธเราก็มารู้ลมหายใจแต่ไม่ใช่รู้ลมหายใจเพื่อให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจเหมือนสมาธิชนิดแรกเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันจิตไหลลงไปรวมกับลมหายใจจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องเรารู้ทันให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาพอเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยขณะที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานั้นการเคลื่อนที่นั้นจะหยุดโดยอัตโนมัติ จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตั้งแต่เด็กๆหลวงพ่อฝึกนะฝึกทำสมาธินะจนกระทัง่งจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตอย่างนี้แหละพร้อมที่จะเจริญปัญญา ต, ต่อไปนะเราต้องค่อยๆฝึกเอาเสียงอะไร<ฟ>ะเสียงรถไฟเหรอไม่มีมารยาทสัง <wolves> เกตไหมตอนที่เราหัวเราะ เราเผลอเราลืมตัวเองนะตอนที่เราหัวเราะเราเผลอเราลืมตัวเองเมื่อไหรเราลืมตัวเองนะคือจิตมันไหลไปโลกในโลกของความคิดละนะมันไม่ไม่อยู่ในโลกของความรู้สึกตัวงั้นถ้าเมื่อไหรจิตรู้สึกตัวนะบางครั้งหลวงพ่อเช็คเาว่าจิตมันตื่นจิตนั้นเป็นผู้ตื่นขึ้นมางั้นจุดแรกก่อนที่เราจะเจริญปัญญาได้นะต้องตื่นขึ้นมาให้ได้ก่อนคนในโลกนี้ไม่ตื่นนะคนในโลกเนี้ยตื่นเฉพาะร่างกาย แต่จิตใจฝันตลอดเวลาฝันกลางวันนี่แหละฝันกลางวันนี่เรียกว่าความคิดนั้นจิตจะหลงไปในความคิดตลอดเวลาเวลาคิดตอนกลางคืนเรียกว่าฝันนะฝันตอนกลางวันนี่เรียกว่าคิดแล้จิตมันจะไหลไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาเลยให้เรารู้ทันเวลาจิตไหลไปอยู่ในโลกของความคิดตัวนี้สําคัญมากนะพวกเราอดทนนิดหนึ่งในการที่จะฝึกสมาธิชนิดนี้ขึ้นมาให้ได้เวลาจิตไหลไปคิดให้รู้จิตไหลไปคิดให้รู้หรือจิตไหลไปเพ่งลมหายใจ ให้รู้ทานจิตไหลไปเพ่งเท้าให้รู้ทานจิตไหลไปเพ่งท้องให้รู้ทันถ้ารู้บ่อยๆนะต่อไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะหลวงพ่อตั้งแต่เป็นคารวาสนะจิตตั้งมั่นตั้งมั่นไปหาครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงปู่สิมที่ทำผาปล่องท่านเห็นหน้าหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เพราะจิตเราเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนี้พอเราได้จิตที่มีสมาธิชนิดนี้แล้วนะ มันถึงจะเจริญปัญญาทำวิปัสสนากรรมฐานได้จริงคนที่บอกว่าทําวิปัสสนาทำวิปัสสนานะเกือบร้อยละร้อยนะทำสมถะโดยไม่รู้ตัวอย่างเราดูท้องฟองยุบนะจิตมันไปเคลื่อนไปเพ่งอยู่ที่ท้องนั่นแหละสมถะกรรมฐานจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวถ้าจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวคือสมถะกรรมฐานแล้วละ่ะอย่างมากก็มีความสุขมีความสงบเท่านั้นแหละ แต่ถ้าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องเรารู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันเดินจงกรมจิตเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าเรารู้ทันจิตไม่จะถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเราอย่าจงใจสร้างจิตชนิดนี้นะห้ามจงใจสร้างจิตชนิดนี้ให้รู้ทันตอนที่จิตหลงไปนั่นแหละจิตไหลไปนั่นแหละถ้าเรารู้ทันตอนที่จิตหลงไปไหลไปจิตจะตั้งตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้แต่ถ้าจงใจจะสร้างตัวผู้รู้ขึ้นมามันจะแข็งเกินไปใจจะแน่น ใจแ น, ใ น, ใ น, ใ น, ใน่นใจอึดอัดไม่มีความสุขเลยไม่มีความสงบเลยนะยิ่งแย่ใหญ่ไม่ดีงั้นเอาให้คอยรู้ทันเราแค่คอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดเท่านั้นแหล ะ, ะทํากรรมฐานอย่างหดึ่ขึ้นมาก่อนส่วนมนต์ไปก็ได้นะทำอะไรก็ได้แล้วจิตไหลไปคิดรู้ทันในสวดเราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้นี่ขึ้นมาเมื่อเราได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราหลุดออกจากโลกของความคิดความคิดเป็นสิ่งที่ปิดบังความจริงเอาไว้ความคิดไม่ใช่ความจริง ความจริงก็ไม่ใช่ความคิดนี่คนเราเมื่อหลงอยู่ในโลกของความคิดก็เลยไม่สามารถเห็นความจริงไม่สามารถเห็นของจริงได้นะเราจะต้องหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเราถึงจะเห็นของจริงเห็นความจริงของกายของใจได้พวกเรามีร่างกายพวกเรามีจิตใจทุกคนมีมาตั้งแต่เกิดแล้วแต่เราลืมกายเราลืมใจของตัวเองแทบจะตลอดเวลา เรามีร er ke ke no. овой, we we yeah. ่างกายเราก็ลืมมันเวลาเราใจลอยรู้จักใจลอยไหมเมืเม่อไปใจลอยไปขณะที่ใจลอยนึกออกไหมเรามีร่างกายเราก็ลืมมันละเรามีจิตใจเราก็ลืมไปแล้วจิตใจขณะนี้สุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเราไม่รู้เลยเพราะเราใจลอยอยู่ร่างกายเราจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวยังไงเราก็ไม่รู้สึกเพราะเราใจลอยอยู่งั้นเราพอใจเราเป็นผู้รู้แล้วเราไม่ใจลอยแล้วเราหลุดออกมาจากโลกของความคิดเราไปอยู่ในโลกของความเป็นจริง เราจะสามารถเห็นของจริงก็คือความจริงของกายความจริงของจิตใจได้การเห็นความจริงของกายความจริงของใจนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานความจริงของกายของใจก็คือไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงการเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้อนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยอนัตตาหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากเหตุ มันจะเป็นไปตามเหตุถ้าเหตุเปลี่ยนไปตัวมันก็เปลี่ยนไปถ้าเหตุดับไปตัวมันก็ดับไปนะนี่คำว่าอนัตตาไม่ใช่แปลว่านติไม่ใช่มีมีอะไรเลยนะทุกอย่างชีวิตพวกเราตอนนี้มันมีอยูนะ่แต่มีเพราะมันมีเหตุอย่างร่างกายเรามีเหตุเรามีพ่อมีแม่เราเกิดขึ้นมาได้เรามีอาหารเรามีน้านะเรามีเสื้อผ้าใส่ไม่หนาวตายไม่ร้อนตายอะไรเนี้ยมันมีเหตุมีปัจจัยหล่อ เ, เลี้ยงอยู่ร่างกายนี้ก็มีได้ แต่ว่าร่างกายนี้ไม่คงทนไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับเราสั่งมันไม่ได้ห้ามแก่ไม่ได้ห้ามเจ็บไม่ได้ห้ามตายไม่ได้ร่างกายเป็นไปนตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามเหตุของมันเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เก่าคล่ำคล้าแก่ชราไปเราห้ามมันไม่ได้การที่มันมีแต่เราควบคุมไม่ได้นี่แหละคือคําว่าอนัตตาอย่าไปแปลอนัตตาว่าว่างเปล่านะนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิคําว่าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย เป็นวิชาทิฏฐิชื่อนัตถิกาทิฏฐิอะไรๆก็ไม่มีความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์ครั้งหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวท่านไปกราบหลวงปู่เทศที่วัดหินมกเป้งแล้วท่านก็ไปถามหลวงปู่เทศเทศรังสีที่วัดหินมกเป้งบอกว่าอะไรเป็นที่สุดของศีลอะไรเป็นที่สุดของสมาธิอะไรเป็นที่สุดของปัญญา ในหลวงระดับนั้นไม่ถามอะไรต้นๆตืนต้นๆเลยถ้าถามว่าอะไรเป็นที่สุดเลยที่สุดของศีลคือเจตานานงดเว้นหลวงปู่เทศท่านสอนนะเจตานานงดเว้นที่จะทำบาปอากุศลทางกายวาจาที่สุดของสมาธิชื่ออัปปนาสมาธิจิตมันเข้าฌานเลยที่สุดของปัญญาคือไตรลักษณ์คือการเห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกในร่างกายนะเราเห็นร่างกายเราเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกตลอดเลย อันนี้ยังไม่เรียกว่าวิปัสนาเราเห็นท้องพองเราเห็นท้องยุบอันนี้ยังไม่ใช่วิปัสนาเราเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้ายังไม่ใช่วิปัสนาแต่จิตมันต้องเห็นความจริงของร่างกายของจิตใจด้วยอย่างเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาเนี่ยรู้ว่ากําลังโกรธอยู่ยังไม่ใช่วิปัสนาต้องเห็นความเกิดขึ้นแล้วก็ความตั้งอยู่ความดับไปของมันเราถึงจะเป็นวิปัสสนาจริงต้องเป็นเห็นไตรลักษณ์เห็นเช่นเห็นความไม่เที่ยง เช่นเห็นความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นความรู้สึกโกรธนั้นดับไปต่อหน้าต่อตาในนี้ถึงจะเรียกว่าเราทําวิปัสนาอยู่มันเกิดแล้วมันดับให้ดูมันแสดงความไม่เที่ยงให้ดูหรือเห็นร่างกายเนี่ยถ้าเราไปเพ่งร่างกายนะจะหยิบแก้วน้ำเราจิตเราไปเกาะอยู่ที่มือเพ่งอยู่ที่มือไม่หนีไปที่ไหนเลยอันนี้คือสมถะกรรมฐานนะไม่ใช่วิปัสนาเพราะจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวคือจิตไปเกาะอยู่ที่มือ ตร น, นี้จิตไม่หนีไปที่ไหนแต่จิตไปอยู่ที่เดียวไม่เกิดปัญญาจะไม่เห็นความจริงไม่เห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกอยู่เลยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูอยู่เพราะเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วมีสมาธิที่เป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นทันทีเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเพราะฉั้นร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าสิ่งใดที่ถูกรู้สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราแน่นอน ยกตัวอย่างพวกเราเห็นแก้วน้ํานี้ไหมแก้วน้ํานี้เป็นสิ่งที่พวกเรามารู้มันนะเมื่อมันเป็นสิ่งที่พวกเรารู้มันนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเราต้องค่อยๆดูนะค่อยๆสังเกตไปอย่างร่างกายที่หายใจออกร่างกายหายใจเข้าถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นคนดูเราจะเห็นเลยว่าร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้านะั้นเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเองมีความเคลื่อนไหวนะแต่มันจะไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นถ้าเรามีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเราจะเห็นเลยว่าความโกรธก็อยู่ส่วนความโกรธจิตก็อยู่ส่วนจิตความโกรธกับ จ, จิตเป็นคนละอันกันความโกรธไม่ใช่ตัวเราร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเรา เนี่ยการที่เราคอยถอดถอนความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนของเราได้นะี่แหละเรียกว่าวิปัสนากรรมฐานเราเห็นความจริงแล้วมันเป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงจิตใจเป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายเป็นของบังคับไม่ได้จริงสัง่งไม่ได้จริงควบคุมไม่ได้จริงจิตใจยิ่งห้ามยากใหญ่สั่งให้มันคิดแต่เรื่องดีมันก็จะคิดเรื่องร้ายสั่งให้มันมีความสุขมันก็ชอบมีความทุกข์ สั่งมันว่าอย่าชั่วมันก็อย่าชั่วสั่งให้ดีมันไม่ยอมจะดีมันไม่อยู่ในอำนาจสั่งให้คิดเรื่องนี้มันไปคิดอีกเรื่องหนึง่งสั่งว่าเรื่องนี้อย่าคิดมันจะคิดเรื่องนี้มันบังคับไม่ได้นี่เราคอยรู้ลงในกายคอยรู้ลงในใจนะเห็นแต่ของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถือถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเห็นแต่ของที่บังคับไม่ได้เบื้องต้นจะเอากายเป็นฐานไว้ก่อนก็ได้หรือจะเอาจิตใจเป็นฐานไว้ก่อนก็ได้แล้วแต่ความถนัด ถ้าเราดูจิตใจเป็นให้ดูเข้าไปที่จิตเลยเพราะจิตนั้นแสดงใจรักรวดเร็วมากจิตเราเดี๋ยวก็สุขจิตเราเดี๋ยวก็ทุกข์จิตเดี๋ยวก็ดีจิตเดี๋ยวก็ร้ายนะเนี่ยเราใครรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตจิตจะเปลี่ยนแปลงเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตามองเห็นเห็นคนนี้มาเป็นเพื่อนเราจิตก็เกิดความพอใจตามองเห็นคนนี้เราเกลียดคนนี้มาหาละเดินมาละคนนี้เราเกลียด จิตเกิดความไม่พอใจนะจิตมันมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อตามองเห็นจิตมันมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อหูได้ยินเสียงนะเช่นเราได้ยินเสียงเพื่อนเราเรียกหรือเสียงแฟนเราเรียกเราดีใจเราได้ยินเสียงหมาจะมาไล่กัดเราแล้วเสียงเห่ากระโชกมานะเราตกใจไหจิตมันเปลี่ยนดีใจด้วยบางทีก็ตกใจบางทีก็กลัวนะเนีจิตมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์หรือบางทีเราอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวเราคิด เราคิดไปถึงเรื่องนี้มีความสุขเกิดขึ้นเนจิตใจมันเปลี่ยนแปลงแล้วเราคิดไปถึงเรื่องนี้มีความทุกข์เกิดขึ้นเนจิตใจมันเปลี่ยนแปลงแล้วให้เราคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจตนเองไวการที่เราคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายหรือของใจก็ได้นะแล้วแต่ถนัดแต่กายเนี่ยเปลี่ยนแปลงช้าแต่จิตใจนี่เปลี่ยนแปลงเร็วนันถ้าเราอยากเห็นไจรักเร็วๆให้คอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไว มันจะเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งเราไม่ห้ามการกระทบอารมณ์ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแต่ให้มันกระทบไปตามธรรมชาติเมื่อกระทบแล้ ว, ว, ก เ, กลวเกิดความรู้สึกสุขให้รู้ทันเมื่อกระทบแล้วเกิดความรู้สึกทุกข์ให้รู้ทันเมื่อกระทบแล้วจิตเป็นกุศลให้รู้ทันเมื่อกระทบแล้ว จิตเกิดความโลภความโกรธความหลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูนะให้รู้ทันงั้นเราครรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจบ่อยๆเราจะเห็นเลยว่าความรู้สึกทุกชนิดนั้นเป็นของชั่วคราวการที่เราเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดเป็นของชั่วคราวเนี่ยอย่านึกว่าเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องเล่นๆนะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยเราจะพ้นทุกข์ได้หรือไม่ได้ฝึกอย่างนี้นะจะพ้นทุกข์ในเวลาอันสั้นเลย เพราเราจะเห็นนะความสุขเกิดขึ้นก็ชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นก็ชั่วคราวอะไรๆเกิดขึ้นก็ชั่วคราวทั้งหมดเลยเราจะดูแล้วดูอีกนะผ่านเป็นวันไปเป็นเดือนเป็นปีนะดูซ้าแล้วซ้ํำอีกแต่ละคนไม่ใช้เวลาไม่เท่ากันดูไปจนถึงจุดจุดหนึ่งจิตจะยอมรับความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดจะดับเป็นธรรมดาความทีแรกเราเห็นแต่ละอย่างเกิดก่อนนะ ความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับความโลภเกิดแล้วดับความโกรธความหลงเกิดแล้วดับเห็นที่ละอย่างทีละอย่างสุดท้ายจิตจะรู้จากในภาพรวมเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเกิดแล้วดับเนี่ยจิตมันจะสรุปได้จิตมันยอมรับความจริงได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับกระทั่งความรู้สึกในใจของเรากระทั่งความรับรู้ของเราก็เกิดแล้วก็ดับอย่างเรารับรู้บางทีเราก็รู้สึกตัวบางทีจิตก็หลงไปคิดความรับรู้ความรู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับ มีแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับคอยรู้อย่างนี้ให้มากนะนี่เป็นเคล็ดลับเป็นความอัศจรรย์ที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะท่านค้นพบวิปัสสนากรรมฐานสมาธากรรมฐานมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ยอมรับเพราะว่ามันก็มีมประโยชน์เหมือนกันทําจิตให้สงบอะไรเงี้ยแต่ท่านพัฒนาขึ้นมาให้เป็นจิตตั้งมั่นเป็นคนดูด้วยการรู้ทันจิตที่ไหลไปพอจิตเป็นคนดูได้แล้วท่านมาดูความจริงของกายซึ่งเป็นไตรลักษณ์มาดูความจริงของจิตใจซึ่งเป็นไตรลักษณ์ นี่หลวงพ่อแนะนําให้พวกเราหัดรู้รู้ทันจิตใจตนเองนะเพราะพวกเราเป็นคนสมัยใหม่วันๆ น, นี้คิดมีเรื่องให้คิดทั้งวันเลยจิตนี่จะเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตลอดเวลามันแสดงใจรักอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่อยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยสุดท้ายจิตก็จะเกิดปัญญารู้ว่าอะไรเกิดอันนั้นก็ดับนะมันจะรู้เลยว่าตัวตนถาวรไม่มีมีแต่ของที่เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไป เมื่อจิตยอมรับตรงนี้ได้เนี่ยความทุกข์ในชีวิตเราจะหายไปหลาย 10% อร์เซ์ล้นะเช่นวันหนึ่งอยู่ดีๆคนที่เรารักตายฉับพลันรถทับตายหรือตกสะพานตายตกตึกตายนะหรือเป็นมะเร็งตายในเวลาที่เรานึกไม่ถึงนะหรือลูกของเรานะลูกของเราเรามักจะคิดว่าเราต้องตายก่อนลูกของเราเกิดลูกเราตายก่อนเราเนี่ย ถ้าจิตไม่เคยเห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้นะจะทนไม่ได้มีความทุกข์มากเลยนะแต่ถ้าจิตมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวถึงลูกเราตายต่อหน้าต่อตานะถึงคนที่เรารักตายต่อหน้าต่อตานะจิตมันยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างเป็นของไม่คงที่หรอกทุกอย่างเป็นของไม่แน่นอนะชีวิตความจริงมันเป็นอย่างนี้ความจริงของชีวิตก็คือมันมีแต่ความไม่แน่นอนเมื่อจิตยอมรับความไม่แน่นอนยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้จิตจะทุกน้อย ความทุกข์จะน้อยลงไปเยอะเลยจะไม่เหมือนหลายคนยอมรับความจริงไม่ได้เพราะคนที่เรารักตายนะร้องไห้คล่ำครวญอยากให้ฟื้นมันเป็นความอยากที่ไร้เดียงสาอย่างคนตายแล้วเราอยากให้ฟื้นนี่ไร้เดียงสาหรือเร า, เร า, เ, ราเรารักร่างกายของเราเองเพราะร่างกายของเราแก่เรายอมรับไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกกรรมฐานฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานมาดีเราเห็นร่างกายมันแก่เรารู้ว่ามันต้องแก่มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะร่างกายนี้ไม่เที่ยง ร่างกายต้องเจ็บป่วยเราก็ไม่ทุกข์ใจมัเจ็บป่วยแต่ร่างกายนะเพราะจิตใจมันยอมรับความจริงแล้วว่าร่างกายมันต้องป่วยเราจะตายจิตใจก็ไม่เศร้าหมองไม่ทุรนทุรายเพราะจิตใจมันรู้ความจริงแล้วว่าทุกอย่างเกิดแล้วต้องตายแน่นอนทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับแน่นอนเนี่ยเรามาฝึกให้เห็นความจริงแล้วว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับด้วยการดูของจริงซึ่งเกิดดับอยู่ในใจของเราความสุขเกิดขึ้นให้รู้ทันไปก็จะเห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับ ความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ทันนะก็จะเห็นว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความโหนหูหรือทุกๆอารมณ์นั่นแหละเกิดระดับทั้งสิ้นเลยดูทุกวันดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนะจนจิตยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับแน่นอนเมื่อจิตยอมรับความจริงตรงนี้ได้ว่าจิตมีปัญญามีปัญญาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยจิตมันยอมรับได้ จิตมันยอมรับได้เราจะแก่จิตก็ยอมรับได้เราจะเจ็บจิตก็ยอมรับได้เราจะตายจิตก็ยอมรับได้จิตจะไม่ทุกข์นะเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักคนที่เรารักพลัดพรากปุับปรับไปเลยเราตั้งตัวไม่ทันนะแต่ถ้าเราฝึกปฏิบัติเราก็ยอมรับได้ว่าเขาก็ต้องไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเราต้องเจอสิ่งที่ไม่รักเราก็ยอมรับได้ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะต้องสมหวังเสมอไปบางทีเราก็ได้รัฐบาลที่เราไม่ชอบน ที่เราก็ได้รัฐบาลที่เราชอบหรือวันนี้ชอบอีกวันหนึ่งไม่ชอบอะไรเนี่ยมีสิ่งที่สมหวังสิ่งที่ผิดหวังอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะเรารู้เราเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหมดเลยเรายอมรับได้ถ้ายอมรับได้นะความทุกข์ทางใจจะลดลงไปเยอะนี่เป็นการฝึกนะให้เกิดปัญญานี่แค่ปัญญาขั้นต้นเท่านั้นนะปัญญาเบื้องต้นเท่านั้นเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับถัดจากนั้นเรามาเจริญปัญญาต่อไป ตรงที่จิตมันยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับตรงนี้แหละเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันจิตมันจะพัฒนาขึ้นไปนะมันจะเวลามันรู้สึกลงในกายรู้สึกลงในใจเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันไม่มีตัวเราตรงไหนเลยร่างกายดูลงไปเราเห็นแต่วัตถุไม่ใช่ตัวเราจิตใจเราเห็นแต่ธรรมชาติที่รู้อารมณนะ์เห็นจิตเห็นใจอะไรเปแค่สภาวะธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวเรา ดูลงไปเรื่อยตัวเราไม่มีถ้าเมื่อไหร่ตัวเราไม่ไดีไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีนะเป็นพระโสดาบันถ้าจะนั้นมาภาวนาต่อไปอีกนะเพื่อความพ้นทุกข์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราจะมารู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจบ่อยๆนะพอเราดูกายดูใจมันทํางานไปหรือถ้าดูใจไปเรื่อยก็พอนะดูกายไปก็ใจเป็นคนดูไปเรื่อยสุดท้ายถึงดูกายเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมาดูใจก็มารู้ที่ใจมาละที่ใจ แล้วเราดูเข้าไปถึงใจได้ดูเข้าไปเลยถ้าดูจิตใจไม่ออกดูกายดูจิตใจก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําสมถะทําความสงบไว้ก่อนนะเนี่ยการปฏิบัติมันมีแนวรุกแนวรับนะงั้นวันไหนมั่วซั่วทําอะไรไม่ถูกก็พูดโธไปหายใจไปพนะอจิตใจแช่มชื่นเบิกบานเห็นเลยจิตใจมันแช่มชื่นเบิกบานนี่เรากลับมาดูจิตได้แล้วก็เห็นความแช่มชื่นเบิกบานเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกลายเป็นอุเบกขาอะไรอย่างเงี้ยนะ มันดูไปเรื่อยจนกระทั่งดูไม่ออกนะก็เห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะเป็นวัตถุที่หายใจออกหายใจเข้าแล้วดูจิตก็ไม่ออกดูกายก็ไม่ออกทําความสงบไมาเลยพุทโธไปหายใจไปให้จิตไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นพระจิตสงบจิตมีเท่ามีแรงนะมันจะกลับมาดูจิตได้อีกนะฝึกไปเรื่อยพวกเรารู้สึกไหมร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกไหม ร่างกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตใจนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าตัวร่างกายเป็นทุกข์ตัวจิตเป็นทุกข์นะตัวขันห้าเป็นทุกข์แต่เรากลับไปเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างนึกออกไหมเคยได้ยินไหมท่านบอกว่าโดยสรุปขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ใครเคยสวดมนต์ทำวัดเช้าบ้างมีไหมมีไหมทำวัดเช้ามีอยู่บทหนึ่งใช่ไหม สังกิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกขันทั้งห้าคือตัวรูปตัวความรู้สึกสุขทุกข์ตัวความจําได้หมายรู้ตัวความปรุงแต่งของใจตัวตัวรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนี่ท่านบอกเป็นตัวทุกขันทั้งห้าถ้าย่อลงมาก็คือกายกับใจของเรานี่เองท่านบอกว่ามันเป็นตัวทุกข์เราไม่เคยเห็นว่าขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ เราเห็นแต่ว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเมื่อเรายังเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างมันมีทางเลือกมันจะดิ้นวิ่งดิ้นร น, นหนีความทุกข์ดิ้นรนหาความสุขไปเด่อยจิตจะมีความอยากเกิดขึ้นคืออยากได้ความสุขอยากจะพ้นจากความทุกข์แต่เมื่อวันใดเรามีสติปัญญาแก่กล้าจริงๆนะเรารู้สึกอยู่ในกายไปเรื่อยเราเห็นในกายมีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะ จิตใจก็มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์กับสุขคนที่ไม่ได้ฝึกน่าจะเห็นตอนที่มันทุกข์น้อยนะว่ามันเป็นสุขะแต่ถ้าเราฝึกมากเราจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์แค่เราลองหายใจดูเราหายใจเข้าลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆสิหายใจเข้าไปเรื่อยๆรู้สึกทุกข์ไหมเราต้องหายใจออกหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์ลองหายใจออกไปเรื่อยๆสิทุกข์ไหม เราต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์นะเรานั่งอยู่นี่ไม่นานก็ทุกข์เราต้องขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อแก้ทุกขนะ์นี่เราเปลี่ยนอิริยาบถอัตโนมัติเมื่อเราก็ขยับไปขยับมานะเราไม่เคยเห็นว่ามันทุกข์เลยนะเราก็เห็นว่าแหมไม่มสบายดีความจริงมันทุกข์ตั้งหลายรอบแล้วนอนกลางคืนพลิกไปพลิกมาไหมตอนนอนหลับร่างกายอยู่ที่ตลอดเลยหลายๆชั่วโมงไหม ไม่ไม่นอนนิ่งๆนะร่างกายเนี่ยคืนหนึ่งคืนหนึ่งนะพลิกตั้งสามสบสีครั้งนะีแล้วแต่ว่านอนมากนอนน้อยนะถ้าเป็นไข้นะปวดมากก็พลิกมากที่จริงร่างกายเคลื่อนไหวนะหนีความทุกตลอดเวลาเลยไม่ได้มีความสุขจริงเลยแค่หายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกเปลี่ยนอีเดยาบทยืนเดินนั่งนอนก็เพื่อแก้ทุกเนี่ยถ้าเรามีสติรู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆนะเราจะเห็นเลยร่างกายมีแต่ความทุกไม่ใช่ของดีของวิเศษละ ถ้าเราเห็นได้อย่างนี้นะความผูกพันรักใคร่ยึดถือในร่างกายเนี่ยจะสลายตัวไปเองเมื่อไหรที่มันหมดความรักใคร่ยึดถือในกายนี้นะมันจะไม่มีความทุกข์เพราะกายนี้อีกต่อไปแล้วจิตใจจะพ้นทุกข์เพราะร่างกายนะ้วนะมันจะรู้เลยร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษอีกต่อไปแล้วร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์งั้นเวลาที่จะตายเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่าตัวดีตัววิเศษตายแต่มันรู้สึกว่าตัวทุกข์กำลังจะแตกนะจิตใจไม่เศร้าหมองเลยนะ เวลาจะตายจริงๆจิตใจเบิกบานตัวทุกข์มันจะแตกนะดูจิตดูใจก็เหมือนกันเราจะเห็นเลยจิตใจเนี่ยถูกบีบคั้นตลอดเวลามีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาเดี๋ยวให้อยากโน้นเดี๋ยวอยากนี้อยากไปดูหนังอยากไปฟังเพลงอยากมาวัดมงคลรัตนารามอยากโน้อนอยากนี้ความอยากเนี่ยบีบคั้นใจเราอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าคอยสังเกตดูเลยแต่ละคนแต่ละคนนะเรานึกว่าเรามีอิสรภาพ มนุษย์ทั้งหลายนึกว่าตัวเองมีอิสรภาพแท้จริงเราไม่เคยมีอิสรภาพเลยแต่เรามีเจ้านายที่เรามองไม่เห็นตัวเจ้านายที่มองไม่เห็นตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียกเหมือนว่านายตันหาตันหาเป็นผู้สั่งนะเป็นผู้สร้างพบสร้างชาติสร้างทุกข์ขึ้นในใจเราทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นเนี่ยมันจะบีบคั้นใจเราแต่ตันหานั้นเป็นเจ้านายที่ฉลาดมันปกครองเราจนเราไม่รู้ตัวว่าเราถูกนายตันหานี้ปกครองน มันสั่งเราทั้งวันเราก็ยังนึกว่าเราเป็นอิสระที่จริงเราไม่มีอิสระเลยเราถูกกิเลสตัณหานี้สั่งตลอดเวลาให้เราคอยรู้ทันลงไปด้วยนะเราจะรู้เลยจิตนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะแล้วจิตนี้มีแต่ของไม่เที่ยงนะมีความสุขก็อยู่ได้ชั่วคราวมีความทุกข์นะกเกลียดมันก็ไล่มันก็ไม่ได้อะไรเนี้ยนะเฝ้นะารู้เฝ้าดูลงไปสุดท้ายปัญญามันจะเกิดนะจะเห็นว่ากระทั่งตัวจิตเองก็เป็นตัวทุกข์ ตรงที่ภาวนาเนี่ยเราจะเห็นกายนี้เป็นตัวทุกข์ก่อนแล้วจะเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ทีหลังเพราะร่างกายเป็นของหยาบดูง่ายว่าเป็นตัวทุกข์คนที่สามารถเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นทุกข์หมดความยึดถือในร่างกายได้นะท่านเรียกว่าพระอนาคามีพระอนาคามีเพราะท่านจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายต่อไปแล้วถ้าภาวนาไปจนถึงสุดขีดจะเห็นได้ว่าตัวจิตนี้เป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์หมายถึงว่าเป็นตัวไม่ดี เป็นของไม่ใช่ของดีของวิเศษเหมือนที่เคยนึกเคยเชื่อมาแต่เดิมนะบางท่านเห็นว่าจิตนี่เป็นของไม่ดีของไม่วิเศษเพราะเห็นว่ามันไม่เที่ยงแม้อุตสาหภาวนาจนจิตสว่างสวัยนะผ่านไปหลายๆวันจิตชักมัวมัวได้อีกแล้วนี่มันไม่เที่ยงรู้สึกว่าจิตนี้เป็นของไม่ดีเลยนะท่านหมดความยึดถือจิตได้บางท่านที่ทรงสมาธิมากทาสมาธิมากๆเนี่ยจิตมีความสุขอยู่ทั้งวันทั้งคืน ตรงที่สติปัญญาแก่กล้าสุดขีดแล้วเนี่ยขณะที่จิตมีความสุขอยู่ดีๆนั้นเกิดพลิกตัวนิดเดียวนะจะเห็นเลยว่าจิตนี่คือตัวทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรทุกข์เท่าตัวจิตนะเราคิดว่าจิตเป็นของดีของวิเศษไปอุตส่าห์ฝึกสมาธิจิตสงบจิตสบายเลยคิดว่าจิตนี้ดีแต่ปัญญาแก่กล้าเมื่อไหร่นะัจะเห็นเลยจิตนี้เป็นตัวทุกข์อย่างแสนสาหัสเลยทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนเลยต้นต่อของความทุกข์ทั้งหลายมันมาจากความยึดถือจิตเี่เง ไปยึดถือจิตได้นะก็มีจิตขึ้นมาแล้วก็ไปยึดถือกายไปยึดถือคนรอบตัวเราไปยึดถือทรัพย์สมบัติไปยึดถือชื่อเสียงเกียรติยศมันยึดออกไปจากจิตนี้เป็นตัวตั้งเลยถ้าหมดความยึดถือจิตได้นะเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่ของดีจิตไม่เที่ยงจิตเป็นทุกข์หรือเห็นว่าจิตไม่เป็นของบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจท่านจะสลัดคืนจิตให้โลกเป็นสภาวะที่พวกเราคิดไม่ถึง ว่าทำไมจิตจะปล่อยวางจิตได้จิตปล่อยวางกายก็อัศจรรย์แล้วนะจิตยังปล่อยวางจิตได้อีกแต่พวกเราที่ฝึกกรรมฐานกับหลวงพ่อแล้วเนี่ยใช้เวลาเดือนสองเดือนเราจะพบว่าจิตวางอารมณ์ได้จิตปล่อยวางอารมณ์ได้ใช่ไหมมีอารมณ์ขึ้นมาจิตเข้าไปจับอารมณ์พอรู้ทันนะจิตตั้งมั่นจิตปล่อยอารมณ์ไปจิตตั้งมั่นออกมานี่มันปล่อยได้ขั้นแรกสุดเลยนะของหยาบที่สุดยังไม่ได้โสดาสกัตถาคาอะไรนีจิตสามารถปล่อยอารมณ์ได้เป็นคราวๆหลุดออกเป็นคราวๆความทุกข์ก็ เกาจิตอยู่เนี่ยจิตรู้ทันนะความทุกข์จะหลุดออกไปจิตถ้าตั้งมั่นขึ้นมาได้นะเนี่ถ้าฝึกต่อไปเนี่ยจิตจะแยกออกจากกายนะจิตจะไม่ยึดถือในร่างกายนะร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนะจิตไม่หวั่นไหวด้วยเลยจิตมันแยกออกจากกายนะต่างคนต่างอยู่เลยบางคนไปเกิดอุบัติเหตุหัดเจริญสติอยู่เนี่ยแล้วเกิดอุบัติเหตุรถคว่ขาขณะที่รถพลิกไปเนี่ยนะจิตมันถอดตัวมาเป็นคนดูนะ มันเห็นร่างกายกลิ้งไปกลิ้งไปจิตเป็นคนดูแล้วไม่มีความตกใจเกิดขึ้นเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ธรรมะอะไรเลยนะจิตมันถอดออกมาได้แต่ว่านี่มันมันไม่ยึดชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ยึดอีกแต่ถ้าเป็นผ้านาคามีมันจะไม่กลับเข้าไปยึดจิตอีกมันอยู่นะจิตมันเอ๊ะมันไม่ไปยึดกายอีกจิตกับกายอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ยึดกันไม่กระทบกระทั่งกันนะถ้าภาวนาไปจะถึงจุดสุดท้ายเลยนะจิตจะไม่ยึดถือจิต เมื่อจิตไม่ยึดถือจิตแล้วจิตจะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกเป็นเรื่องที่อัศจรรย์คิดยังไงก็คิดไม่ออกนะจิตมันจะแปลสภาพเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นธาตุแล้วไม่ใช่เป็นจิตที่เกิดดับกลับกลอกอย่างที่พวกเราเป็นนะเป็นจิตนี้จะกลายเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์แล้วมันจะสัมผัสกับพระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งนะมีสภาวะมีลักษณะสงบสันติ สงบจากทุกข์สงบจากความปรุงแต่งสงบจากกิเลสที่จริงคือสงอบจากกิเลสนะสงบจากความปรุงแต่งทั้งปวงสงบจากความอยากสงบจากความทุกขนะ์สงบจากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่นิพพานบ้างเปล่าไม่มีอะไรเลยนิพพานนั้นเป็นสภาวะแห่งความสงบซึ่งเกิดจากการสิ้นปัญหาสิ้นอยากถ้าเมื่อไหร่เราเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษหมดความยึดถือในกายในใจได้ เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งความอยากจะไม่มีอีกต่อไปความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปที่เรามีความอยากเนี่ยเราอยากให้ร่างกายเป็นสุขเราอยากให้ร่างกายพ้นทุกข์เราอยากให้จิตใจเป็นสุขอยากให้จิตใจพ้นทุกข์ความอยากมันเกิดจากการที่เรายึดถือในกายในใจนี่เองถ้าเมื่อไรเราเห็นความจริงของกายของใจเราไม่ยึดถือในกายในใจแล้วความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีก เพราะรู้ทุก์ได้เมื่อไหร่นะรู้ทุกคือรู้กายรู้ใจเห็นความจริงของกายของใจได้เมื่อไหร่จะละสมุทัยคือละความอยากเมื่อนั้นถ้าจิตหมดความอยากจิตจะหมดความดิ้นรนจิตที่หมดความอยากเนี่ยคือจิตที่เข้าถึงพระนิพพานเพราะพระนิพพานนั้นเป็นสภาวะที่สิ้นความอยากในสภาวะที่จิตใจเราสิ้นความอยากจิตก็มีความสงบมีสันติสุขอยู่ตลอดเวลาเะฉะนั้นจะเราจะเข้าถึงความสุขความสงบอยู่ตลอดเวลาเลย ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นมีความสุขมีความสงบมีความแช่มชื่นมีความเบิกบานมีความรู้มีความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นตัวเองเราพบความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีอย่างแท้จริงหรอกมีแต่สภาวะของรูปธรรมและนำมาทำที่เกิดขึ้นเป็นคราวๆแล้วก็แตกสลายไปเนี่ยจิตที่มันพัฒนาสุดขีดนะปัญญาถึงขั้นสุดขีดแล้วเนี่ย มันจะไม่ยึดถือในกายในใจในรูปในนามอีกต่อไปแล้วมันจะพ้นออกไปจากโลกถ้าเมื่อไหร่พ้นจากรูปนามได้นะก็คือพันธิพาณนั่นแหละนะเป็นสภาวะที่สงบเป็นสภาวะที่สันติเป็นสภาวาทะาวาที่สิ้นอยากสิ้นตัณหาเป็นสภาวะที่ดิน้นสิ้นความดิ้นรนปรุงแต่งเพราะมีความอยากยังเกิดการดิ้นรนปรุงแต่งเพราะเราเคยได้ยินคําว่าเพราะมีตัณหาตัณหาเป็นผู้สร้างภพไหม ปัญหาเป็นผู้สร้างพ บ, พบคือความดิน้นรนตรุงแต่งของจิตนั่นแหละงั้นถ้าเราสิ้นปัญหานะหมดความอยากทําไมหมดความอยากเพราะได้เห็นความจริงของกายของใจแล้วว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆความอยากให้กายเป็นสุขอยากให้ใจเป็นสุขไม่มีความอยากให้กายพ้นทุกข์ความอยากให้ใจพ้นทุกข์ไม่มีความอยากทั้งหลายที่นานาชนิดของเราอะไปดูให้ดีเถอะลึกลงไปนะมันก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ นะจะมีความอยากในรายระ lla, ละเอียดยกี่ร้อยกี่พันเรื่องนะสุดท้ายมันก็ลงมาอยากให้กายเป็นสุขอยากให้ใจเป็นสุขอยากให้กายพ้นทุกข์อยากให้ใจพ้นทุกข์แค่นั้นเองแต่ถ้าเห็นความจริงไม่ยึดถือกายยึดถือใจแล้วความอยากให้กายเป็นสุขให้ใจเป็นสุขไม่มีทําไมไม่ต้องอยากให้กายให้ใจเป็นสุขเพราะรู้ความจริงแล้วว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์ของมันเป็นทุกข์จะไปอยากให้มันเป็นสุขเนี่ยเป็นความไร้เดียงสาจิตเรามีสติปัญญามากแล้วเรารู้เลยกายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์ ความอยากให้มันพ้นทุกข์ไม่มีความอยากให้มันเป็นสุขก็ไม่มีนะเพราะเห็นความจริงแล้วงั้นการที่จะศึกษาธรรมะนะก็คือการเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองนะเราจะมาเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกใจของเรานี่แหละจนเห็นความจริงนะว่าจริงๆมันไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่เกิดเราดับนี่เราก็ได้ธรรมะขั้นต้นดูต่อไปเราเห็นเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆมันก็หมดความยึดถือในกายหมดความยึดถือในจิต เราจะสัมผัสกับความสุขที่มหาศาลถ้าเปรียบเทียบนะความสุขของสมาธิที่คนทั้งหลายในโลกติดกันเนี่ยเป็นความสุขเล็กนิดเดียวเท่าปลายเล็บเท่านั้นเองเทียบกับความสุขของพระนิพพานนะพระเจ้าบอกนิพพานังปรมามังสุขขังความสุขของสมาธินะั้นมันตั้งอยู่ชั่วขณะที่ทําสมาธิเท่านั้นเองออกจากสมาธิมันก็กลับมามีความทุกข์ใหมนะ่ส่วนความสุขจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมาเรียนรู้ความจริงของชีวิต มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนหมดความยึดถือกายยึดถือใจมันเป็นความสุขที่ที่อมตะนะเป็นความสุขที่คนละชั้นกันเลยเป็นความสุขที่เมื่อสัมผัสเข้าไปครั้งแรกเนี่ยแทบจะตายเลยพวกเราเคยได้ยินว่าทุกตายใช่ไหมทุกมากมากเหมือนจะตายสุขมากมากก็เหมือนจะตายได้นะมันสุขไม่มีอะไรเหมือนเลยแต่ว่าพอจะอยู่คุ้นเคยไปแล้วมันก็ชินได้นะ ก็มีความสุขมีอุเบกขาสลับกันไปเดี๋ยวก็เป็นสุขเดี๋ยวก็เป็นอุเบกขาแต่ไม่มีความทุกข์นะถ้าทําสมาธิอยู่ก็มีความสุขอยู่แล้วพอออกจากสมาธิก็กลับมามีความทุกข์ได้อีกนะงั้นเราอย่าหยุดตัวเองอยู่แค่การทําความสงบนะถ้าหยุดตัวเองแค่ทําความสงบแนละ้วก็ยังไม่คุ้มกับการได้พบพระพุทธศาสนาหรอกเน่ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกเฉพาว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือศาสตร์ คือศาสตร์อันหนึ่งนะที่จะพัฒนาจิตตนเองเนี่ยจนกระทั่งไม่ทุกข์ขอบเขตของพระพุทธศาสนาจึงเล็กนิดเดียวเรียนแต่เรื่องอะไรคือตัวทุกข์กายกใจนี่เป็นตัวทุกข์แล้วก็เรียนเรื่องวิธีที่จะพัฒนาจิตใจจนกระทั่งพ้นทุกข์นะพราะฉะนั้นจะสรุปว่าเรียนแต่เรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์ก็ได้ไม่พูดเรื่องอื่นไม่พูดเรื่องพระจงพระเจ้าอะไรนี่แหละแต่เป็นมนุษย์นี่แหละพัฒนาตัวเองจนพ้นทุกข์ได้ช่วยตนเองได้นะ พอไหวไหมนานๆหลวงพ่อมาจีนนะหลวงเลยพ่อเลยเทศแบบเทย่ามเทย่ามให้นะไม่มีกระเป๋า mm hmm. ถ้าเข้าใจสิ่งที่บอกนะแล้วเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าเนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากเลยพระธรรมเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากเลยพระอริยสงฆ์เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากเลยแต่เดิมท่านก็เป็นคนธรรมดาอย่างเรามีความทุกข์อย่างพวกเรานี่แหละ แต่ท่านพัฒนาจิตใจจนท่านไม่ทุกข์อีกต่อไปละอะไรเกิดขึ้นท่านไม่ทุกข์อีกแล้วท่านมีความสงบสุขอยู่ได้ตลอดวันตลอดคืนนี่ก่อนที่จะเจริญปัญญาได้สรุปนะสรุปเลยก่อนที่จะเจริญปัญญาคือการมาดูความจริงของกายของใจได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูซะก่อนต้องหลุดออกจากโลกของความคิดเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจถ้าเราไหลอ ย, อยู่ในโลกของความคิด เรามีร่างกายเราลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจเราไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้หรอกเพราะกระทั่งกายเรายังลืมไปเลยจิตเราก็ลืมไปเลยเราจะไปเห็นความจริงได้ยังไงเพราะั้นจุดตั้งต้นของการปฏิบัตินะจิตต้องตื่นขึ้นมาต้องปลุกตัองให้หลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้วิธีที่จะหลุดออกจากโลกของความคิดที่ง่ายที่สุดนะจากการทดสอบมาแล้วก็คือการรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิด จิตของเราหนีไปคิดทั้งวันทั้งคืนหนีคิดตลอดเวลาถ้าเรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดจิตจะตื่นขึ้นชั่วขณะหนึ่งเดี๋ยวก็หนีไปคิดใหม่เรารู้ทันอีกมันก็ตื่นอีกขณะหนึ่งมันจะค่อยๆถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะพไหลไปคิดรู้สึกไหลไปคิดรู้สึกเนื้อสึกความรู้สึกตัวนะั้นมันจะตื่นให้นมาเด่นดวงขึ้นมามันจะรู้สึกเหมือนรู้สึกตัวได้ทั้งวันแต่เราไม่ไปเพ่งให้ใกายนิ่งไม่ไปเพ่งให้จิตนิ่งเหมือนสมถกรรมฐาน จิตเราสบายเป็นคนดูอยู่อย่างเงี้ยแต่อารมณ์ทั้งหลายไหลผ่านมานะนับไม่ถ้วนเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะมันปรีดความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกิดขึ้นนะเราเป็นแค่คนดูเวลาจิตมันโกรธขึ้นมาเราก็เห็นเหมือนเห็นคนอื่นโกรธเราเป็นคนดูจิตมันโลบขึ้นมาเราเห็นเหมือนคนอื่นโลภเราเป็นคนดูะร่างกายยืนเดิน น, น, นั่งนอนร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเราเห็นเหมือนคนอื่นไปหมดเราไม่ใช่ตัวเราใจเราเป็นแค่คนดู เนี่ยฝึกจะเป็นคนดูนะไม่ใช่พูดแสดงแต่ให้เป็นผู้ดูว่าเป็นผู้ดูได้เราจะเห็นความจริงได้ถ้าเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้แสดงแล้วก็จะไม่เห็นความจริงหรอกนั่นเคล็ดลับนะที่จะแตกหักเลยว่าเราจะทําวิปัสสนากรรมฐานสําเร็จหรือไม่ก็คือจิตของเราเป็นคนรู้คนดูหรือไม่ถ้าจิตไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้งั้นสมาธิ จำเป็นมากนะสมาธิชนิดที่สองนี่จำเป็นมากสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่สมาธิชนิดสงบสมาธิที่ชนิดสงบเอาไว้พักผ่อนเป็นครั้งเป็นคราวจิตฟุง้งซ่านดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วก็ทําสมาธิสงบเพื่มาให้จิตพักผ่อนพอสงบแล้วสบายแล้วนะมาเดินปัญญาต่อมาดูการทํางานของกายมาดูการทํางานของใจต่อไปเรียกว่าเจริญปัญญานะสุดท้ายก็เห็นความจริงของกายของใจว่ากายนี้เป็น ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่ได้ธรรมะขั้นต้นดูต่อไปอีกกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนี่ได้ขันธรรมะขั้นสุดท้ายนะแล้วเราจะสัมผัสพระนิพพานเราจะรู้เลยว่าพระนิพพานมีจริงๆไม่ใช่อุดมคติไม่ใชอยูโทเปียที่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกให้เราทําความดีอันนั้นตื้นเกินไปแล้วนะลองดูนะวันนี้หลวงพ่อเทศยากหน่อยนะเพราะว่าฝรั่งเยอะฝรั่งเนี่ยสอนง่ายเกินไปไม่ได้นะ เขาปัญญาเยอะอ่ะขอสมควรใครมีอะไรจะถามเชิญกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะที่ให้ความเมตตากับพวกเราในวันนี้กราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะที่ให้ความเมตตากับพวกเราในวันนี้หนูติดอยู่ในทรงสภาวะสภาวะที่หนึ่งอะคะ่ะเมื่อพิจารณาเห็นว่ากายเนี่ย เป็นของที่ไม่เที่ยงกายเนี่ยมีแต่ความทุกข์หนูก็ปล่อยแล้วก็ไม่ได้ติดอยู่ที่กายแต่พอพิจารณาต่อไปก็ยังเห็นว่าจิตเนี่ยก็เป็นความเที่ยงก็เป็นเป็นตัวที่ไม่เที่ยงจิตเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดสร้างภพสร้างชาติหนูก็ปล่อยก็ไม่ได้ติดอยู่ที่อยู่ที่จิตพอกายไม่ได้พอกายไม่ได้จับจิตไม่ได้ปรุงทีนี้มันก็เลยติดอยู่ในความนิ่งติดอยู่ในความสงบบางทีนิ่งมากๆนิ่งจนไม่ได้ยินเสียงที่อยู่รอบข้างกาย แล้วก็ลืมตาขึ้นมามันก็รู้ว่ามันไม่มีสุขมันไม่มีทุกข์แต่ว่ามันไม่เกิดปัญญาไม่เกิดด อ, อกน ะ, ะตรงที่หนูบอกว่าไม่ยึดกายไม่ยึดจิตเน่ยมันยังยึดอยู่นะแต่อาศัยกําลังสมาธินี่จิตมันก็เฉยๆไป<ะ>มันก็เหมือนไม่ยึดที่จริงยังยึดนะเรายังไม่เห็นด อ, อกเพราะว่าที่เดินอยู่เนี่ยจิตยังเดินอยู่ในภูมิของสมถกรรมฐาน<ะ>นะมันมุ่งมาที่ความสงบยังไม่ได้เดินปัญญาจริงๆ ถ้าเดินป็นยาจริงเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเป็นคนดูเท่านั้นเอง <Okay. S 1> จิตจะไม่ล็อกตัวนิ่งๆอยู่นะถ้าจิตยังล็อกตัวนิ่งอยู่เนี่ยเป็นสมถะอยู่ <Okay. S 1> พอหลังจากนั้นเนี่ยหนูรู้เกิดสภาวะที่สองพอเรารู้ว่าเรานิ่งแล้วเนี่ยหนูก็ดึงกลับมาภาวนาที่พุโทโธใหม่อืพอภาวนาที่พุโทโธใหม่ภาวนาไปเรื่อยๆเราก็จะแยก เ, เราก็จะเห็นจิตเนี่ยหลุดออกมาจากกายคือไม่ได้ จิตเนี่ยเป็นอิสระออกจากกายหนูก็เพ่งอยู่ที่จิตซึ่งจะลอยอยู่หน้ า, าอืกแต่พอสักพักหนึ่งเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนว่าจิตเนี่ยมีพลังอืเหมือนเหมือนเป็นก้อนกลมๆใหญ่ๆแล้วเหมือนจะทะลุขึ้นมาบนฟ้าค่ะอพอเราเริ่มรู้ตัวตรงนั้นหนูก็กลับมาพูดโทหม่อืแต่ว่าไม่มันมันที่ทําอยู่มันเป็นสมถะทั้งหมดเลยนะอย่างการที่หลวงพ่อบอกว่ากายกับจิตแยกกันเนี่ยไม่ได้แยกแบบนั้น ไม่ได้แยกแบบอยู่คนละโลเคชันนะมันแยกในความรู้สึกมันะจิตมันก็อยู่ในกายนี่แหละแต่มันรู้ว่ามันไม่ใช่กายนะมันก็รู้ว่าจิตกับกายเนี่ยคนละอันกันมันะจะไม่ได้ถอดออกมาไปอยู่ข้างนอกหรอกนะการที่จิตถอดออกมันเป็นผลของสมาธิแล้วจิตมันเคลื่อนไปนะจิตมันเคลื่อนไปแล้วตรงที่หนูรู้ว่าจิตเคลื่อนหนูกลับมาอยู่กับพุโทโธนี่ก็เป็นการทาสมถะอีกนะพอ กำลังของสมาธิอ่อนลงนะจิตก็เคลื่อนออกไปอีกหนูก็ไปดึงกลับมาอยู่กับพุโทโธอีกนะมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ตาไป น, นี้หนูเอาใหม่นะพยายามรู้สึกตัวสบายๆอย่าให้ใจเนี่ยล็อกตัวอยู่นิ่งๆ น, นึกถึงเวลาที่เรายัางภาวนามไม่เป็นสมัยที่เราเป็นเด็กๆ เ, เรายังไม่เคยหัดภาวนาเราไม่เคยบังคับให้จิตนิ่งแบบนี้จิตของเด็กๆซึ่งมันไร้เดียงสาเนะีนะ่ยนะเป็นจิตที่เหมาะเลยสําหรับการทํำมิปัสสนากรรมฐาน เดี๋ยวมันก็ดีใจเดี๋ยวมันก็เสียใจเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็โลภเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็หลงเราจะดูความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆแต่จิตของผู้ใหญ่นะที่ตั้งฟ้อมทําสมถามากมันจะนิ่งอย่างเดียวไม่มีความเปลี่ยนแปลงให้ดูนะนึกถึงจิตสมัยตอนเด็กๆออกไหมจิตที่เคลื่อนไหวได้เปลี่ยนแปลงได้ดีใจได้เสียใจได้เราไม่ได้ฝึกตัวเองให้กลายเป็นหุ่นยนต์เฉยๆไม่มีความรู้สึกนะ มีความรู้สึกได้แต่เราเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายไม่เที่ยงนะต้องฝึกอย่างนั้นนะอย่าไปบังคับอย่าไปตรึงจิตให้นิ่งกราบน้ำมสการพระคุณเจ้าวัดบงคลรัตนารา ม, มกราบเท้าหลวงพ่ อ, อประโมทประโมทโชว์โอ้มีเต็มยศเลยฉันชื่อดวงพรดานแคนมาจากลาสเปกัสค่ะ แล้วก็ฟังสิ่ดีของท่านมาหลายร้อยหลายพันครั้งคําถามไม่มีหลอกคาแต่จะเรียนให้หลวงพ่อทราบว่าเป็นลุกสิทธ์มานานมากแล้วก็ปฏิบัติล้มลุกคลุกคลานมานานพอสมควรแล้วก็กิเลสก็ยังมีอยู่เต็มรอ้อยอืนิวรณก็มีอยู่เต็มพันทีนี้จะมากราบขอพรจากหลวงพ่อเพื่อเป็นกนําลังใจจะได้ปฏิบัติต่อไปค่ะโอหลวงพ่อให้พรไม่เป็นเนาะ ธรรมดาไม่ค่อยมีใครมาขอเลยพรนาะพรไปว่าประเสริฐนะค่ะสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำเอาเองนะไม่มีใครให้กันได้หรอกะงั้นเราทําไปนะค่ะอย่างเรามีการรักษาศีลมีการฝึกจิตให้สงบมีการฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเราเป็นพรในตัวของเราเองอยู่แล้วกขอบขอบพระคุณค <นะ S 2> ่ะเอออย่างนี้ดี บางคนเซาซีน่าจะเอาให้ได้เราก็ไม่รู้จะให้พรอะไรให้พรมันก็เหมือนหลอกหลอกเด็กอ่ะมาจาก l อลเอช่เหรอออลัสเฟกเกอร์กราบนัวัชการกราบของพ่อปราโมชปราโมชโชว์วันนีกได้มีโอกาสถือเป็นมหาเลิกมีความตื้มปิ้ติมากลื้มส่วนลื้นนะ เห็นเกณฑ์ไหมว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกันดูออกไหมนะเห็นไหมว่าความสุขความทุกข์กับร่างกายก็โคนละอันกันความสุขความทุกข์กับจิตก็เป็นคนละอันกันเห็นไหมว่าความโลภความโกรธความหลงกับจิตนะ่ก็เป็นโคนละอันกันนะกายกับจิตเป็นโคนละอันเห็นไหมขันมันเริ่มแยกแล้วเมื่อขันมันแยกได้นะจิตมันเป็นคนดูมันจะเห็นในรูปส่วนรูปจิตส่วนจิต ความสุขความทุกข์ก็แยกออกไปทำงานของเขาเองกุศลอกุศลเขาก็ปรุงของเข้าไปใจเป็นแค่คนดูไปนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะฝึกอยู่ได้ดีฉลัการาาเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองหรือยังเห็นแล้วค่ะหลวงพ่อเป็นนิมิตหมายที่ยกยกไม่งี้ไม่ต้องปันนมมือเป็นนิมิตหมายที่ลูกสุดจะเปิ่มที่สุดในชีวิตค่ะดีแล้วละค่ะ มกกเมื่อจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้แล้วนะขันมันแยกตัวออกขันแต่ละขันนั้นจะสอนไตรลักษ์เราร่างกายนี้ที่เคลื่อนไหวอยู่ร่างกายที่พนมมือร่างกายที่พยักหน้าเป็นแค่ร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายก็แยกตัวออกไปแต่ละอันแต่ละอันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราจิตไหลไปคิดไหมตอนนี้ ใช่ค่ะ <substit> อ <uting> ๋อจิตนี้ไปคิดให้รู้ทันว่าจิตนี้ไปคิดแล้วขณะที่จิตนี้ไปคิดนะเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมนะนั่นเราก็รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดแล้วจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตต <might> hmm. really. ั้งมั่นแล้วไม่ไปบังคับให้จิตนิ่งนะเอาจิตที่ตั้งมั่นนี้แหละมาดูเห็นร่างกายเป็นเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์มันเปลี่ยนแปลงไปจิตเป็นคนดูเห็นความโลภความโกรธความหลงผ่านมาผ่านไปจิตเป็นคนดูนะ เห็นจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาด้วยฝึกได้ดีอยู่ไปฝึกให้ได้นะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีฝึกไปด้วยถ้ายังแม่บรรลุธรรมก็ฝึกมันเจ็ดชาติสาธุค่ะกราบดมัสการอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งอย่าไปเพ่งให้จิตแข็งให้จิตเป็นธรรมชาติธรรมดาสบายๆจิตที่แข็งเกินไปใช้ไม่ได้นะคุณเสื้อแดง นำ้ำมัสมัชการหลวงพ่อปราโม้นเจ้าค่ะยกใหม่นะไม่ต้องพันตัวเหมือร้องเหมือน<ช>คาราโอเกะคะเจ้าค่ะขอบพระคุณคะ<ช>่ะออยมยมอย า, ากจะทราบว่าการที่เราปฏิบัติอยู่ที่บ้านนี้เวลาเรานั่งสมาธิบางทีเราจิตเราออกไปข้างนอกบางทีมันจะดึงกลับมานี้มันคือมันกลับมาบางทีมันก็แบบไปอีกเกิดขึ้นไปบ่อยนะคะแล้วก็ลําบากมากต่อการดึงจิตให้มาจะให้รู้ทันว่ามันไหลไปอย่าห้ามมัน ไม่ใช่บังคับไม่ให้ไหลนะเอาแค่ว่าไหลไปแล้วรู้ทันตัวนี้สําคัญนะถ้าบังคับไม่ให้ไหลนะจะอึดอัดมากเลยเจ้าค่ะทําไม่ได้เจ้าค่ะทีนี้สําคัญที่ว่ากลยุทธ์แบบถ้าเราจัดแบบดึงจิตกลับมาโดยที่ว่าให้เขาอยู่กับที่เหมือนเดิมนี้ไม่ให้กลับออกไปอีกนี่เจ้าค่ะไม่เอาไม่ดีนะอ๋อไม่ดีใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ดีเราจะไม่ได้ฝึกเพื่อเก็บกฎไม่ได้ฝึกเพื่อบังคับจิตแต่เราจะฝึกเพื่อให้เห็นความจริงของจิตว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นของบังคับไม่ได้บางทีเ้าก็ไปบางทีเขาก็มาเจ้าค่ะะเราเรียนให้เห็นความจริงของเขาไม่ใช่เรียนเพื่อ บ, บังคับเขาค่ะทีนี้จําเป็นไหมคะที่เราต้องแบบกําหนดจิตว่าต้องอยู่ที่ปลายจมูกอันนั้นเป็นสมถะกรรมฐานอ๋อเจ้าค่ะไม่จําเป็นใช่ไหมเจ้าค่ะไม่จําเป็นไม่จำเป็นหลวงพ่อนะแต่เดิมก็อยู่ที่จมูกนะทําสมถะสว่างอยู่กับแสงสว่างเนี้อยู่นานไปไม่ได้ประโยชน์อะไรได้แต่ความสงบ สงบแล้วก็ฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบอยู่อย่างนี้ซ้ําๆที่เจอหลวงปูด่ดุลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองก็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตไปด้วยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างบังคับไม่ได้นี่เฝ้าดูของจริงไม่ได้ไปบังคับให้นิ่งนะคือไม่จําเป็นต้องว่าต้องมากําหนดที่ปลาจมูกเห็นว่าเรารู้ว่าจิตออกแล้วก็พยายามดึงกลับมาแอย่าดึงสิขยับเขากลับมาเองหรือเจ้าค่ะความความความยากนะอยู่ตรงนี้นะฟังให้ดีนะ คนทั่วไปเนี่ยจิตจะไหลออกไปตลอดเวลาหลงไปคิดตลอดเวลาไม่เคยรู้ตัวว่าจิตไหลไปคิดเลยจิตมีสภาวะอย่างเดียวคือหลงไปคิดอคพอเรามาหัดภาวนาเนี่ยจิตไหลไปคิดเรารู้ทันมันก็เกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแต่ถัดจากนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นจิตที่เพ่งอีกละเรากลัวว่าจะไหลอีกเราเลยไปเพ่งเอาไว้ในจิตมีสามแบบน ะ, ะพวกนักปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยแรกหลงไปอันที่สองรว่าหลง อันที่สามกลัวจะหลงเลยไปเพ่งไว้ไม่ให้กระดุ ก, กระดิกเลยอึดอัดไปเลย อ, อันนี้ไม่ถูกแล้วแล้วสามสภาวะนี้เราจะเอาอันไหนจิตหลงไปเนี่ยเราไม่เอาแน่เห็นไหมจิตไปเพ่งไว้อึดอัดแน่จิตที่รู้สึกตัวเราจะเอาไหมเราไม่เอาอเราไม่ได้เอาทั้งสามสภาวะแต่การที่มันมีสามสภาวะเพื่อเราจะได้เห็นว่าจิตที่เผลอไปก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงนะจิตที่เพ่งอยู่ก็ไม่เที่ยง เราต้องการให้เห็นความจริงเราไม่ได้ต้องการสภาวะอันใดอันหนึ่งนะตัวนี้ยากนะส่วนมากมันรักดีเคยได้ยินไหมสัมโนนโบราณรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาเห็นไหมจั่วใหญ่นะหนักกว่าเสาอีกรักดีก็หนักแหละรักดีกลัวจิตไหลไปรักษาไว้ทั้งวัน่ะเครียดนะทีนี้อย่างนึ่งจงจะทราบว่าอารมณ์ ะระหว่างสมถะกับวิปัสนาเราจะแยกยังไงเจ้าคะว่าอันนี้เป็นสมถะอันนี้เป็นวิปัสนาสมถะเนี่ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวโดยไม่ได้บังคับไว้วิปัสนาเนี่ยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง ค, คนละแบบกันทีนี้รูมอยากจะถามถึงว่าเวลาเราก่อนที่เราจะนั่งสมาธินี้การสวดมนต์ไหว้พระหรือกราบพระเนี่ย เราต้องสวดแบบบทไหนก่อนใช่ไหคะถือว่าเหมาะสมที่สุดจะาดทำบ้านเราชอบบทไหนแล้วเอาบทนั้นแหละชอบบทไหนเอาบทนั้นแหละผลลับของการทําสมถะนะคือมีความสุขถ้าเราชอบบทพุทโธอะไรสูสุดโธอะไรอย่างเงี้ยเ้าชอบบทนี้เราก็สวดบทนี้ชอบนโมเราก็เอานโมนะชอบบทไหนเราเอาบทนั้นตามแต่ถนัดใช่ไหมใช่ไหมตามถนัดนะแล้วสวดมนต์อย่างเดียวจิตก็สงบได้ไม่ใช่ก่อนนั่งนะ หมายถึงว่ากระทั่งการสวดมนต์นั่นแหละก็คือการทำสมถะกรรมฐานแล้วจะเป็นสมถะกรรมฐานชนิดใช้การสวดมนต์เป็นอารมณ์กรรมฐานแล้วสวดมนต์ไปจิตหนีไปรู้ทันจิตก็สงบเข้ามาสวดมนต์เสร็จจิตใจสบายมานั่งสมาธิมารู้ลมหายใจต่อจิตมันสบายมาจากการสวดมนต์แล้วพอมานั่งสมาธิต่อจิตสบายก็สงบง่าย เพาอย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละความสุขความสบายนะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิาาถ้าจิตเครียดไม่มีสมาธิหรอกจ้าค่ะปล่อยวางากราบขอบพระคุณม า, มากเจ้าค่ะคุณเสื้อแดงต้องระมัดระวังเนาะเวลาเราภาวนาเนี่ยเราไม่ไปบังคับจิตแล้วเวลาที่เราหัดภาวนานเราดูอารมณ์ภายในเนี่ยให้เรารู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ดูจิตหรอก แต่ส่งจิตไปดูนะไม่ได้ดูจิตนะแต่ส่งจิตเที่ยวไปดูโน้นดูนี้นะจิตไม่ได้เป็นคนดูถ้าจิตเป็นคนดูจริงๆเนี่ยจิตเคลื่อนนิดเดียวเราจะเห็นนะ้วจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะตอนนี้จิตหนีไปคิดหรือเปล่าคุณเสื้อแดงจิตหนีไปคิดให้รู้ทันนะตอนนี้อึดอัดไหมเออทําไมอึอดอัดเพราะไปบังคับไว้กลัวไม่ดีะช่างมันดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นะ ห้ามชั่วเท่านั้นแหละชั่วคือทำผิดศีลแค่ไม่ทำผิดศีลนะ่ะจิตจะดีจิตจะร้ายไม่สำคัญหรอกจิตดีขึ้นมาก็รู้ว่าเออมันอยู่ชั่วคราวแล้วหายจิตร้ายขึ้นมาก็รู้ว่าอยู่ชั่วคราวแล้วหายนะกราบนมัสการออหลวงพ่อปามโมทค่ะออนึกว่าจะมีปามโมทโชว์ด้วย <laughs> ตอนนี้ดิฉันรู้สึกออตื่นเต้นแล้วหัวใจเต้นแรงมากมค่ะ <laughs> ดี<อ>จะได้แข็งแรงแดีฉันได้ฟังหลวงพ่อทำจากหลวงพ่อจากอินเทอร์เนต็ตประมาณสามถึงสี่เดือนมาแล้วค่ะแล้วก็ได้ปฏิบัติ ด, ดูแล้วก็มีความรู้สึกว่ารู้รู้ในสภาวะที่เป็นอารมณ์มคือจากเมื่อก่อนที่เกิดอารมณ์โกรธใช่ไหมคะเราจะแสดงออกทางทางกายด้วยแต่ปัจจุบันเรารู้สึกว่า มันหยุดหยุดหยุดอยู่ตรงนั้น <Ừ. S 2> พอเรารู้สึกโกรธปุ๊บมันหยุดทุกอย่างหยุดแต่ความรู้สึกในร่างกายความรู้สึกสูบฉีดของโลหิตหรืออะไรเรารู้ว่ามันมีมันยังมีอยู่แต่มันไม่แสดงออกไปค่ ะ, ะเป็นปกตินะเพราะว่าจิตเนี่ยเกิดดับรวดเร็วว่ารูปพอจิตมันโกรธนะมันบังคับให้หัวใจเต้นแรงให้เลือดสูบฉีด มีฮอร์โมนมากระตุ้นให้ร่างกายดูเดือดแข็งแรงเตรียมต่อสู้อันนี้ <c oughs> ตัวนี้มันต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งถึงหาย่คะเป็นปกติแล้วพอเวลา อ, อ, อันนั้นดิฉันไม่รู้ว่านั่นคือการเจริญวิปัสสนาหรือเปล่าหมายถึงว่าแต่พอที่เ ร, เราเห็นความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันนะค ว, <c oughs> ความโกรธดับไปถ้าเราเห็นสภาวะที่เกิดแล้วก็ดับ แล้วก็ดับไปต่อหน้าต่ตาเนี่ยเราทำวิปัสนาอยู่อันนั้นคือการเจริญวิปัสนาใช่คะ่ะเออแต่ว่าต้องทำบ่อยๆนะไม่ใช่นานๆฟลุ๊กทีหนึ่งเห็นทีหนึ่งก็ไม่เป็นหรอกอ๋อค่ะก็คือต้องรู้สภาวะอารมณ์ทุกๆครั้งไม่ใช่ทุกครั้งรู้บ่อยๆรู้ทุกครั้งไม่ได้เราไม่ใช่ปล า, ารอรหันต์ค่ะโอเคค่ะรู้บ่อยๆค่ะหมดแล้วรค่ะขอกราบขอประคุณค่ะอ่า น้ำมัสการหลวงพ่อค่ะอยากเาพิ่งฟังซีดีของหลวงพ่อเมื่อสองสมเดือนมาแล้วก็พยายามปฏิบตัติอยากทราบว่าบางครั้งเนี่ยพอท่านหลวงพ่อบอกว่าให้ให้ให้รู้ว่าจิตหนีไปใช่ไหมคะก็พอรู้ขึ้นมาก็หยุดคิดหรือไม่ก็คือหยุดคิดพอรู้ว่าตัวเองคิดไปเนี่ย พอรู้สึกตัวขึ้นมาว่ามันหยุดเองนะมันหยุดเองอย่างนี้ถูกไหมคะถ้ามันหยุดเองอะถูกนะแต่ถ้าไปหยุดมันไม่ถูกนะค่ะคือว่าพอพอรู้ตัวเองว่าเออนี่เรากําลังคิดไปนะแล้วมันก็หยุดอย่างนี้ทําถูกไหมคะถูกแล้วละ่ะแต่ต้องฝึกอีกน ะ, ะเวลากิเลสอะไรเกิดขึ้นนะพอรู้ทันเลยของคุณกิเลสตัวไหนแรงล่ะเยอะเลยค่ะเรื่องอะไรนะเ <laughs> ยอะแยะเลยค่ะกิเลสเยอะแยะเลยเนาะ โอ oh. พอรู้ว่าอยากได้อะไรเนี่ย <Yeah. S 2> พอรู้ว่าเออเราอยากได้นะก็คือคือลดไป mm hmm. ความอยากนี่ก็คือลดไปคือยังไม่หายไปทีเดียว mm hmm. แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเพิ่เจอไปฟุ้งซ่านอะไรไปเนี่ย mm hmm. พอรู้ตัวขึ้นมาก็รู้ว่าเออเราฟุ้งซ่านนะแล้วมันก็หยุดคือก็ก็หยุดคิดมันก็หยุดคิดของมันไปเองอย่างนี้ถูกใช่ไหมคะถูกนะค่อยๆฝึกไปฝึกไปเจนกระทั่งเห็นเลยว่ากิเลสเนี่ยย่อยแย่อยไปหมดเลย กิเลส น, นะถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะขึ้นมาครอบงําใจเวลาหดน้ำมัศการหลวงพ่อนะคะมีคําถามค่าว่าถ้าสําหรับคนบางคนนะคะที่ไม่มีโอกาสนั่งวิปัสนาหรือเป็นนักฝึกหัดใหม่เนี่ยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาะคะ่ะหมายถึงว่าอาจจะวิปัสนา<ำ>นะเราไม่ใช้คําว่านั่งวิปัสนาหรอกหนู มิปัสนานะจะยืนเดินนั่งนอนนะมีสติเห็นกายเห็นใจทํางานใจเราเป็นคนดูเห็นแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในกายในใจทุกๆอิริยาบถเปมนมิปัสนาหมดน ะ, ะแต่ถ้าทําสมถะเนี่ยบางคนต้องต้องนั่งบางคนต้องเดินอะไรเงี้ยมันจําเพาะอิริยาบถค่ะแล้วถ้าหัดเรียนรู้ตามเจิต ตามรู้รรมจิตในขณะทำงานหรือคิดในยามว่างนะค ะ, ะแล้วทำแบบนี้มีโอกาสเข้าถึงปัญญาไหมคะมีนะมีแต่ว่าทำงานที่ใช้ร่างกายหรือทำงานที่ใช้ความคิดละ่ะทั้งสองอย่างคะ่ะเวลาที่ทำงานที่ใช้ความคิดเนี่ยไม่สามารถเจริญสติได้เพราะจิตจะเราต้องไปจดจ่ออยู่ที่งานสติไปอยู่กับงานสมาธิไปอยู่ที่งานปัญญาไปคิดเรื่องงาน แต่ถ้าเราทำงานที่ใช้ร่างกายอย่างเรากวัดบ้านเราซักผ้าเราเดินไปมารดต้นไม้นะอาบน้ำให้หมาอะไรเงี้ยใช้ร่างกายเคลื่อนไหวตรงนี้เราจเจริญสติได้จเจริญปัญญาดไดไ้เห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดูได้นะงั้นถ้าเราทางานที่ใช้ความคิดเนี่ยให้จดจ่อกับงานไปมีหน้าที่ทำงานานะแต่ถ้าทำงานไปแล้วเกิดกิเลสเกิดขี้เกียจขึ้นมาให้รู้ทัน กิเลสแทกแล้วเราก็เห็นกิเลสเกิดแล้วก็ดับไปอันนี้เราปฏิบัติละขอบพระคุณค่ะการปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะเป่ของสําคัญมากหลายคนไปไม่เข้าใจหลายคนจะคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องทำแต่ในรูปแบบวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงเรามีเวลาทําในรูปแบบไม่มากเราไม่ใช่พระนะงั้นถ้าเราละทิ้งการเจริญสติในชีวิตประจําวันก็คือการทิ้งเวลาส่วนใหญ่ของเราไปนะงั้นเราต้องพยายามฝึก การเจริญสติในชีวิตประจําวันได้รนะ่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคอยรู้สึกนะเห็นถึงความไม่เพี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในกายในใจรู้สึกไปเรื่อยวิธีเจริญสติในชีวิตประจำวันที่ง่ายๆนะเมื่อตามมองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นที่ใจเราคอยรู้ทันนะส่วนเวลาทําในรูปแบบแล้วก็มันจะปิดบางทวารไป อย่างเราหลับตายเงี้ยตาไม่ได้ไปเห็นรูปนะนั่งสมาธิอยู่ในห้องเงียบๆไม่ได้ยินเสียงแต่เหลือการทํางานทางใจเหลือทํางานอยู่ช่องเดียวที่ใจอะไรเงี้ยมันก็ดูได้ละเอียดแต่ถ้าเวลาเราฝึกในรูปแบบเนี่ยคล้ายๆเราซ้อมรบเวลาเราจเจริญสติในชีวิตประจําวันเหมือนเราออกสนามรบจริงๆนะถ้าไม่เคยซ้อมรบเลยออกไปรบเลยนะพลาดออกไปรบตายง่ายๆเลยนะ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยมีประโยชน์มากนะค่อยๆฝึกเอาอนมัสการครับรอาจารย์ผมปฏิบัติมาประมาณสี่ปีกว่าก็เคยไปส่งการบ้านที่เมืองไทยทีนี้มีสภาวธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นคือเวลาทำสมาธิตอนเมื่อยขาเมื่อยเท้านะครับ แล้วก็เห็นเวทนาลอยออกมาอยู่ข้างๆอตอนแรกก็กูเก่งกูเก่งแล้วตอนหลังก็หมดความคิดนี้ไปว่ามันเป็นมันไม่เที่ยงแต่ว่าก็ยังสงสัยอยู่ว่าเวทนาที่ลอยออกมาอยู่ข้างๆนั้นมันเป็นอะไรครับมันก็เป็นเวทนาสิ <laughs> เวทนามจะเป็นอะไร ดูไปน้าเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเรานะครับร่างกายกับเวทนาก็เป็นคนละอันกันเห็นไหมมันย้ายออกไปก็ได้นะครับจริงมันก็ยังอยู่ที่เดิมแหละแต่จิตมันคล้ายๆมันขยายการรับรู้ออกไปแล้มันแยกออกไปรู้สึกว่ากายกับเวทนาเป็นโคนละอันกันจิตก็เป็นอีกอันหนึ่งคนละอันกันครับ่อยฝึกเรื่อยๆเนี่ยดีแล้วล่ะแค่นั้นครับขอบพระคุณครับ สวัสดีครับหลวงพ่อออืสวัสดีผมฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายเดือนแล้วอยากถามว่าฝึกถูกหรือเปล่าครับือฟังซีดีมาหลายเดือนแล้วครับอยากถามว่าถูกฝึกถูกหรือเปล่าครับเห็นกิเลสบ่อยไหมบ่อยครับเหรอเห็นกิเลสแล้วทํายังไงกับกิเลสดูเฉ ย, ยๆครับเหรอไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านบางทีก็ไปตามครับเออนะให้รู้ถันนะ หลักของการรู้ก็คือเวลากิเลสเกิดขึ้นนะไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านคล้อยตามคือถูกมันครอบงําไปต่อต้านนะคือพยายามทําลายมันเวลาที่กิเลสเกิดขึ้นนะเราเคยเห็นเรือลําใหญ่ๆนะทอดสมออยู่ในทะเลงเงี้ยน้ําไหลมาตลอดเวลาเลยเรือจะไม่ขวางน้ําเรือไม่ลอยตามน้ําไปจิตเมื่อเผชิญกับกิเลสก็เหมือนกันนะกิเลสจะไหลผ่านไปจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่ จิตกับกิเลสไม่เกี่ยวกันไม่ต่อต้านกันแต่ถ้าเมื่อไรเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นเราเกลียดมันนะพยายามต่อสู้พยายามทำลายมันกิเลสจะแสดงพลังอันมหาศาลออกมาเนี่ยงั้นเราไปกั้นเขื่อนกั้นแม่น้ำกลายเป็นเขื่อนอเกิดแรงดันมหาศาลเลยงั้นเวลาที่เราเห็นกิเลสเนี่ยให้แค่สักว่ารู้สักว่าเห็นเหมือนที่พระเจ้าสอนดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะแค่รู้ไม่ใช่ให้หลงตามไม่ได้ให้ต่อต้าน งั้นเราคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นนะรู้ได้ใจเป็นกลางเราจะเห็นเลยกิเลสมีเหตุกิเลสก็เกิดกิเลสหมดเหตุกิเลสก็ดับนะดูไปเรื่อยปัญญามันก็ค่อยๆเกิดขึ้นดีไปฝึกอีกขอบคุณมากครับ กัสกบหกกลวงพออ่อประโมทครับอืโยอมอยากอาให้ยก <บ S 1> ยกใหม่ให้เกี่ยวกับที่หลวงพ่อบอกว่า ไ, ไตร ล, ลักษณ์นะครับที่ว่าว่าไงนะโยมยกใหม่ตั้งๆอย่างนี้แต่เอาไม้จี้เข้าไปที่ป <STR OM> ากเอหลวงพ่อช่วยอธิบายอาที่หลวงพ่อบอกว่าไตร ล, ลักษณ์ที่หลวงปู่เทศตอบถวายพระราชบัตถามของในหลวงนะอืม คือท่านบอกว่าที่สุดของปัญญาคือไตรลักษณ์ปัญญามันมีหลายปัญญาปัญญาจากการอ่านจากการฟังอันนี้มันปัญญาของคนอื่นอย่างเขาไปวิจัยมาเขาไปศึกษามาแล้วเขามาเขียนตำราไว้เราไปอ่านเราได้ความรู้แต่จริงๆมันความรู้จากของคนอื่นเขานี่เป็นความรู้อย่างหนึ่งเป็นปัญญาอย่างหนึ่งก็ดีเหมือนกันปัญญาอีกอย่างหนึ่งเป็นปัญญาจากการคิดใช่เหตุใช้ผลของเราเอง เร่งอันนี้จะถูกหรือจะผิดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมันมีปัญญาอีกชนิดหนึ่งคือการได้เข้าไปเห็นเข้าไปประจักษ์ถึงความเป็นจริงของกายของใจเราดูลงไปในกายถ้าเราเห็นความจริงของกายในยร่างกายมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่มีแต่เป็นวัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันนะการที่เห็นกายเห็นใจแสดงใจรักได้เป็นการเห็นด้วยปัญญา การเป็นปัญญาชั้นสูงเลยเรียกวภาวานามยปัญญาถ้าเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้เนี่ยท่านถือว่าสุดยอดแล้วเพราะว่าตัวเนี้ถ้าเห็นจริงนะจิตจะปล่อยวางความยึดถือลำพังไปนั่งคิดเอาคิดธรรมะนะว่าพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควดยึดมั่นไปคิดอย่างนี้นะยังไงก็ยึดแต่ถ้าเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นเป็นทุกข์เพราะไม่ใช่ตตัวตน เห็นอย่างนี้นะัมันปล่อยของมันจริงๆะงั้นสุดตาเมย่ปัญญาปัญญาจากการอ่านการฟังปัญญาจากการคิดจินตาเมย่ปัญญาจากการคิดไม่สามารถล้างกิเลสได้จริงๆจะต้องเข้าไปประจักษ์เข้าไปเห็นไตรลักษณ์นะถึงจะล้างกิเลสได้จริงๆงั้นท่านถึงบอกว่ามันเป็นสุดยอดของปัญญานะวิธีที่จะให้เห็นให้เกิดปัญญาที่อธิบายไปแล้วนะ ก็คือเรามีจิตเป็นคนดูก่อนจิตเป็นคนดูเราก็เห็นร่างกายมันทํางานไปร่างกายมไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตใจทํางานไปจิตใจไม่ใช่ตัวเรานะนะมีปัญญากเกิดขึ้นกลับธรรมสการหลวงพ่อครับอผมก็พยายามตามดูตามรู้มานะครับครนี้ผมรู้สึกว่าจิตมันก็ฟุ้งอยู่เรื่อยๆอแล้วผมกําลังอยากจะทราบว่าถ้าเกิด ผมฝึกอานาปนาสติเนี่ยจะช่วยทําให้จิตมีแรงมากขึ้นไหมครับดีนะถ้าทําได้ก็ดีนะหลวงพ่อเองเคยพลาดหลวงพ่อภาวนาทําอานาปนาสติอยู่ยี่สิบสองปีแล้วว่าช่ำชองแล้วพอไปเจอหลวงปู่ดูลมาเจริญปัญญาเนี่ยเจริญปัญญารวดไปเลยลืมสมถะไปเลยรู้สึกสมถะนี่ยไม่ใช่ของดีเลยเพราะรู้สึกว่าทํามาตั้งนานแล้วไม่เห็นได้อะไรไม่เหมือนทํำวิปัสสนาเห็นเกิดดับ ของกายของจิตอะไรเงี้ยรู้สึกดีลืมสมถะไปพอผ่านไปนานๆเนี่ยกําลังสมาธิที่เราสะสมไว้ยี่สิบกว่าปีนะมันหมดนะเวลาที่เราดูสภาวะเนี่ยมันดูไม่ถึงจิตไม่ถึงฐานจริงๆนะจิตจะ เ, เคลื่อนออกไปพอจิตเคลื่อนไปนะอย่งเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นเราดูกิเลสนี้กิเลสนี้เคลื่อนปุ๊บออกไปอยู่ข้างหน้าแล้วสลายตัวไปจิตเราไปว่างอยู่ข้างนอกเลยแล้วไปนิ่งอยู่อย่างนั้นว่างๆสบายมีแต่ความสุขอยู่งั้น ผ่านไปเป็นปีเลยนะตอนนั้นยังเป็นโยมอยู่ว่าจิตมีความสุขอยู่อย่างนี้เป็นปีวันหนึ่งไปเจออาจารย์มหาบัวหลวงคนเดี๋ยวนี้เรียกหลวงตาบัวนะหลวงตามหาบัวไปหาท่านตอนนั้นไปกราบท่านไปถามท่านบอกว่าท่านอาจารย์ผมพ่อแม่ครัวอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตมาเรื่อยๆนะแต่ทำไมช่วงนี้มันไม่พัฒนาเลยท่านมองหน้าวับนะท่านก็บอกว่า ที่ว่าดูจิตนั้น่ะดูไม่ถึงจิตแล้วละ่ะต้องเชื่อเรานะตรงนี้สําคัญมากนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเลยอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านบอกแค่เนี้หลวงพ่อก็เอ๊ะท่านบอกให้บริกรรมทําไมท่านว่าเราดูจิตไม่ถึงจิตให้บริกรรมกราบท่านเสร็จแล้วมานั่งบริกรรมพุทโธพุทโธนะว จ, จิตมันทุกข์ขึ้นมาเหมือนจิตจะแตกเลยจิตไม่ยอมพุทโธจิตไม่ชอบพุทโธ เลยมาสังเกตดูทําไมท่านจะให้บริกรรมอ๋อเพราะว่าสมาธิเราไม่พอจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นนี่หลวงพ่อตั้งแต่เด็กเนี่ยทําอนาปนาสติพอรู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะก็หายใจเลยหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้านะพอจิตเข้าฐานจิตรวมเลยรู้เลยว่าหลงอยู่ข้างนอกตั้งปีจิตออกนอกไปตั้งปีเราะั้นถ้าคุณทําอานาปนาสติไดนะ้ก็ดีนะ แต่อนนาปนาสตินะไม่ใช่อานาปนะไม่มีสตินะอนนาปนาสติคือมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ามีสติเป็นตัวหลักไม่ใช่ลมหายใจเป็นตัวหลักหรอกดังนั้นถ้าขาดสติจิตไปรวมเข้ากับลมหายใจนะไม่ใช่อนานาปานสติตัวจริงนะกราบขอบพระคุณครับสังเกตยอย่างนะใน พระสูตรเนี่ยเวลาพูดถึงอานาปนสตินะคําพูดของพระพุทธเจ้าแต่ละคํามีความหมายที่เรามักจะละเลยท่านสอนง่ายๆดูกราภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังคู่บัลลังคือนั่งขัดสมาธิทําไมต้องนั่งขัดสมาธิเพราะพระไม่มีเก้าอี้จะนั่งพวกเรานั่งเก้าอี้ได้ไหมให้พวกเราไปขัดสมาธิวนธีสติแตกเจ็บขาทนไม่ได้นะ การสมาธิเป็นท่านั่งที่ไม่มีอุปกรณ์อื่นแล้วนะไม่มีตัวช่วยนั่งสมาธิมันดีกว่านั่งพับเพียบนั่งพับเพียบมันนั่งไม่ได้นานท่านก็เลยบอกให้นั่งสมาธิดูครภาภิกสูทั้งหลายให้เธอคู้บัลลังก์ือนั่งสมาธิตั้งกายตรงนะทำกายตรงแต่ตรงแบบไม่แข็งเกินไปนะตรงสบายๆไม่ใช่ตรงแบบทหารเข้าแถวไม่ตรงแบบแข็งเกินไปเครียด ตั้งตัวตรงๆสบายๆอย่าทำละท้ละถวยงอไปงอมานะจิตใจมันจะอ่อนแรให้คูบันหลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าดำรงสติเฉพาะหน้าหมายถึงว่าอะไรปรากฏขึ้นกับปัจจุบันมีสติรู้ภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบันหลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาว ของเราเวลาฝึกเราจะหายใจเข้าใช่ไหมแล้วค่อยหายใจออกในพระสูตรเนี่ยมีเยอะเลยที่บอกว่าให้หายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวทําไมการสตาร์ทจุดสตาร์ทจากการหายใจเข้ากับจุดสตาร์ทจากการหายใจออกมีอะไรแตกต่างกันเนี่หลวงพ่อก็ลองหายใจดูถ้าสูงเราจะทำนาปัญสตินะเราเริ่มจากการหายใจเข้าจิตเราจะแข็งทันทีเลยมันจะตั้งหลักขึ้นมาทันที แต่ถ้าเราเริ่มจากหายใจออกลองดูสิจิตมันจะอ่อนจิตใจมันจะอ่อนถ้าหายใจเข้าปุ๊ดน่ะมันจะแข็งขึ้นมาเลยนงั้นถ้าเริ่มต้นเนี่ยหายใจออกนะจิตจะคลายตัวอาจจะมีลมหายใจอยู่ในปอดนิดหน่อยงั้นหายใจออกนิดหน่อยไม่จําเป็นต้องฝืนหายใจออกไปเรื่อยๆนะจนตัวแฟบไม่ต้องแค่หายใจออกเส้นนิดหนึ่งนะใจจะคลายตัวหายใจเข้าด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายหายใจออกด้วยจิตใจที่ผ่อนคลาย เมื่อจิตใจผ่อนคลายเนี่ยจิตจะสงบแม้เคล็ดลับมันอยู่ที่ตรงนี้เองตรงที่จิตใจมีความสุขมีความผ่อนคลายงั้นบางคนทําอานาปนัสติแทบตายทําไม่สงบเลยนีย่ทำแล้วเครียดแล้วนะพอทำแล้วไปบังคับจิตงั้นการธรรมานาปนาสตินะให้ทําไปด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายมีสติเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้ไปด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายจิตจะสงบอย่างรวดเร็วเลยนะมันมีเคล็ดลับนะแต่ละอย่างแต่ละอย่าง นี่ให้ฟรีนะเนี่ยวิชานี้ค้นกว้ามาพ่อหลกงพ่อเราเป็นคนที่ชอบทดลองอะไรที่ใครเขาทํานะก็ลองกับเขาทั้งนั้นนะ่ะกรรมฐานที่ไม่เคยทํำนะี่หายากมากเลยสนะ่วนใหญ่เคยลองมาแล้วทั้งนั้นนะ่ะสายไหนสายไหนสุดท้ายจับหลักถ้าถ้าหลักถูกนะกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันถ้าหลักผิดนะกรรมฐานอะไรก็ผิดเหมือนกันหมดเลยนะงั้นมันไม่ใช่ว่าพุทโธดีหรือว่าหายใจดีหรือพองยุบดีนะ หรือดูอย่างโกเอนก้าดีมันต่างคนต่างดีแต่ถ้าหลักถูกนะมันดีหมดแหละอันไหนก็ดีถ้าหลักผิดนะอันไหนก็ผิดเหมือนกันหมดเลยไปนั่งแล้วก็ไปรู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจไปพุโทโธก็เพ่งพุโทโธไปดูท้องก็เพ่งท้องไปเดินจงกรมก็เพ่งเท้ากล้เป็นเพ่งไปหมดอ่ะหมดหรือยังยังค่ะอยู่ไหนล่ ะ, ะเธออยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ หลวงพ่อครับกลับน้นมันสการค่ะหนูไปหาหลวงพ่อเมื่อสองปีที่แล้วขอวิหารธรรมหนูงพ่อให้หนูดูกายอืมแต่หนูอยากรู้ว่าหนูจิตคืออะไรเพราะหนูสงสัยแล้วหนูก็พยายามที่จะฟังเทปแล้วก็อ่านหนังสือนะคะหนูทําไม่ได้อ่ะแล้วยิ่งหลังหลัมานี่หนูมีความทุกข์มากเรื่องหนูมีทิีิสูงกับแม่ค่ะอหลวงพ่อมีอะไรแนะนําหนูไหมคะคือที่แต่เดิมให้ดูกายน่าจะเพราะจิตมันฟุ้งมากก็ได้ หลวงพ่อจาไม่ได้ว่าทำไมให้ไปดูกายก่อนตอนนั้นอาจจะดูจิตไม่ไหวถ้ามันฟุ้งหรือมันเคลื่อนไหวรุนแรงนะแล้วให้ดูกายไปก่อนถ้ากายมันไม่วุ่นวายมากดูไปแล้วใจสงบแล้วกลับมาเห็นจิตได้ครูบาอาจารย์เคยสอนนะบอกว่าให้ดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงสมัยแรกๆหลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ดูลมีอยู่ช่วงหนึ่ง สงสัยเหมือนกันเนี่ไปไหนไปไหนนะมีแต่ครูบาอาจารย์บอกให้พุทโธแล้วพิจารณากายให้ดูกายทั้งนั้นเลยเราไม่ได้ดูกายเราดูแต่จิตจะใช้ได้หรือไม่ได้พอสงสัยงี้ไปถามหลวงปู่ ด, ดูลงปู่ครับผมจะต้องดพีพิจารณากายไหมหลวงปู่บอกว่าเขาพิจารณากายเพื่อให้เห็นจิตเมื่อถึงจิตถึงใจแล้วจะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งนะี่ท่านสอนอย่างนี้เพราะงั้นที่เรามาดูกายดูกายนะเพื่อให้มีแรงนะ่ะ ของคุณตอนนี้มันมีแรงแล้วมันดูจิตได้แล้วก็ดูจิตไปเดี๋ยเฉพาะจิตที่มีทิฏฐิเรายึดในความคิดในยึดในความเห็นของเราเลยมีเรื่องกับแม่บ่อยๆอะไรเงี้ยะให้เรารู้ทันว่าเรายึดในความคิดความเห็นของเราเองแต่ความคิดความความยึดถือนะสลายตัวไปนะแล้วกิเลสอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทันถ้าเราดูจิตได้ให้ดูจิตถ้าไม่มีแรงดูจิตมันฟุ้งซ่านมากก็มาดูกายเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้านะอ่าวต่อไป ไอ้คนที้ s u b s c r ครับค่ะมาส่งกันบ้านไปรอบแล้วลูกอยากจะกับนอสการหลวงพ่ออธิบายเรื่องการเดินจงกรมค่ะวันนั้นหลวงพ่ออธิบายเรื่องการเดินจงกรมของหลวงปู่เทศซึ่งแสดงท่าแต่หนูไม่สามารถจะมองเห็นได้ในขณะที่หนูฟังเอพีทรีอยู่ค่ะอะไรนะอ่าไมรเดินจงกรมของหลวงปู่เทศค่ะวันนั้นท่านพูดทางเอพีทรีแล้ว ท่านแสดงท่าแล้วหนูมูนึกภาไม่บอกว่าหลวงปู่เทศเด่นจงกรมอย่างไรคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้มีวีดีโอให้ดูนะเดี๋ยวเป็นเทศที่ต่างๆนะเขาชอบถ่ายวีดีโอนะ <c oughs> มีให้ดูเยอะเลยคือ <c oughs> ตอนนั้นหลวงพ่อไปภาวนาที่หินมักเป้งนี่ <c oughs> ตอนเช้าก็าไปกราบหลวงปู่นะหลวงปู่เห็นหลวงปู่ก็กําหนดเลยให้ไปอยู่กุฏิเก่าของท่านท่านเพิ่งสร้างมณฑลใหม่ท่านย้ายไปอยู่ที่มณฑลบ มันตกของท่านนะมันเป็นกระจกผนังจับมองจากด้านที่เป็นกุฏิเก่านะเป็นกระจกนี่หลวงพ่อไปอยู่กุฏิเก่าของท่านอยู่ปลายเตียงเดิมของท่านที่ท่านเคยนอนนี่แหละกลางคืนนะเราก็เหนื่อยเหนื่อยนะนั่งรถทัวร์ไปทั้งคืนเลยแล้วอยู่มาติตลอดวันไม่ได้พักเลยนะกลางคืนกะจะนอนท่านก็ให้ไปอยู่ห้องเก่าของท่านซะด้วยมองไปก็เห็นท่านอยู่ทั้งคืนเลยเห็นท่านเดินจงกรม ท่า น, นก็เดินตะคุ่มตะคุ่มอยู่นะเดินครูบาอาจารย์ยังไม่นอนเรานอนไม่ได้นะเสียชื่อทักปฏิบัตนะินอนก่อนตื่นทีหลังอาจารย์เนี่ยถือว่าแย่นะเสียวัฒนธรรมนะอาจารย์ไม่นอนโอโ้เราง่วงจะตายแล้วเห็นท่านเดินเดินนะนึกว่าสักสี่ทุ่มท่านจะเลิกสี่ทุ่มก็ไม่เลิกนะเราก็นั่งแทบจะขาดใจห้าทุ่มกว่านะท่านเลิกท่านเป็นนอนเราดีใจแล้วรีบลงไปนอน นั่นอากาศมันหนาวมากเลยตีหนึ่งกว่าๆหนาวจา่าทกตื่นขึ้นมาผีิชงโอกดูท่านอุ้ยท่านมาเดินอีกแล้วเราก็ต้องรู้ขึ้นนั่งอีกแล้วไม่กลัวไปเห็นเลยเดินมันมืดนะในวนดบท่านมันมืดที่ท่านอยู่เห็นท่านเดินตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในใจมันก็สงสัยขึ้นมาเออหลวงปู่ครับถามท่านน่ะหลวงปู่ครับเวลาเดินจงกรมเนี่ยเอามือไว้ตรงไหนดีครับ ก็นึกว่าท่านจะทําอย่างนี้หรืออย่างนี้อะไรแล้วแต่ส่วนมากอาจารย์ทั้งหลายก็แบบนี้นะพอา ถ, าถามท่านจบปุ๊บนะท่านแกว่งอ๋อเข้าใจแล้วครับทุกอิริยาบถถ้ามีสติอยู่นะถ้าเดินทุกก้าวที่เดินอยู่จะเดินท่าไหนก็ตามเถอะถ้ามีสติอยู่นั่นคือเดินจงกรมทั้งหมดเลยถ้าเดินท่าสวย แต่สติแตกหนีไปไหนแล้วไม่ได้เดินจงกรมหรอกเรียกว่าเดินเลื่อนเปื่อยหรือเดินแล้วเครียดเครียดเอาเป็นเอาตายนะอันี่เรียกเดินทรมานตัวเองเดินแล้วก็ดูนาฬิกาไปเรื่อยนี่เดินเอาเวลาเดินแล้วก็นับว่าจะเดินกี่รอบนะนี่เดินเอาระยะทางไม่ได้เดินเอาสติดังนั้นทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวนั่นแหละการเดินจงกรมตลอดเวลาที่นั่งอยู่ด้วยความรู้สึกตัวะนั่นแหละเราปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว นียจุดสําคัญอยู่ที่เรารู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าถ้าเรารู้สึกตัวอยู่เฉยๆนี่เป็นสมถกรรมฐานถ้าเรารู้สึกตัวแล้วเราเห็นความจริงของกายของใจแสดงใจลักไปด้วยนั่นกำลังทําวิปัสสนากรรมฐานอยู่หลวงพ่อพุธเคยสอนหลวงพ่อถึงขนาดนี้นะว่าคุณเชื่อไหมหลวงพ่อนะถ้าเอาหัวเอาศาีรษะที่มพื้นเอาเท้าชี้ฟ้าหลวงพ่อก็ทําสมาธิได้เนี่ยไม่ต้องนั่งท่านี้หรอกน บอกเชื่อเชื่อครับเชื่อเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติเอาหัวทิ่มพื้นเอาเท้าชี้ฟ้าแบบเล่นโยคนะด้วยความรู้สึกตัวอยู่ก็คือปฏิบัติอยู่นั่นแหละงั้นไม่ได้อยู่ที่ท่าพวกเราบางทีไปปฏิบัติทำนะเข้าสำนักน้นสานักนี้สำนักนี้ต้องเดินอย่างนี้ต้องนั่งอย่างนี้นะแต่ละแห่งแต่ละแห่งไม่เหมือนกันทำให้เราสับสนนะอันนั้นเป็นแค่เปลือก เป็นแค่รูปแบบของการปฏิบัติไม่ไม่ใช่ตัวสําคัญหรอกเองแต่ว่าอาจารย์ของสํานักนั้นะเขาเคยเดินท่านี้แล้วจิตเขาดีก็เลยมาสอนอย่างนั้นเคยนั่งแบบนี้แล้วดีก็เลยสอนอย่างนั้นความจริงอยู่ที่ว่าจิตนั้นถูกต้องหรือเปล่าถ้าจิตถูกต้องแล้วเราก็ใช้รูปแบบของการปฏิบัติที่เหมาะกับตัวเองเราก็จะพัฒนาเร็วถ้าเราใช้รูปแบบที่ไม่เหมาะกับเรานะเรียนแบบของคนอื่นไม่พัฒนาหรอกเครียดทางใครทางมัน ใครมาจากอีสานบ้างมีไหมห้อีสานเ อ, อมีหลวงพ่อครูบาอาจารย์อยู่อีสานเยอะเลยนะมีท่านหนึ่งชื่อคุณแม่น้อ ย, แ ม, อยแม่ชีพิมพาอยู่กับหลวงปู่เทสแม่แม่น้อยท่านบอกว่าการปฏิบัตินะมันเหมือนคนหลายคนกินน้ําบ่อดเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันนะไม่เดินทางเดียวกันนะเดินในทางของศีลสมาธิปัญญาเดินในทางของการเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ย เหมือนกันโดยหลักนะแต่วิธีการเนียไม่เหมือนกันทางใครทางมันเพราะงั้นไม่ใช่ว่าอาจารย์ของเราพัฒนามาด้วยการดูจิตเราจะต้องดูจิตอาจารย์ของเราเคยดูกายเราจะต้องดูกายไม่จำเป็นที่สำคัญก็คือมีสติที่ถูกต้องไหมมีสมาธิที่ถูกต้องไหมถ้ามีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องเราก็เลือกรูปแบบกรรมาฐานที่เหมาะกับเราเอง อย่างบางคนนะขาสองข้างไม่เท่ากันแม่อาจารย์กำหนดเนี่ยเดินจะต้องก้าวแต่ละก้าวต้องยาวเท่านี้เนี่ยโอ้โหมันเดินยากนะขามันไม่เท่ากันอะ่ะเนี่ยทําไมต้องเดินเท่ากันเดินไปแล้วก็หงดหงิดอาจารย์ว่าอาจารย์บังคับเราเดินขาก็เปลกเนี่ยะไม่เหมือนเขาเนี่ยรู้สึกอับอายขายหน้าคนอื่นเขาก็มองเราเรารู้ทันว่ากําลังอับอายขายหน้าเนี่ยเราปฏิบัติแล้วนะี่นรูปแบบนั้นเป็นแค่เปลือกนะ เราอย่าไปเถียงกันว่าเปลือกอันไหนดีกว่าเปลือกอันไหน<อ>หมดหรือยังมีอีกท่านนึงครับหลวงพ่อหลวงพ่อพอไหวไหมครับไหวไหวว่ามางานการแทรบผได้ยินเถอะยมพูดยมพูดไทยไม่ค่อยพูดไทยไม่เก่ง แลว้วโยมพูดท่านฟังลาวได้บ่ได้บ้าง <laughs> อาจารย์เป็นลาวเยอะเลย <laughs> เพราะโยมโยมพูดไทยบ่ค่อยชัดเออได้แค่ไหนก็แค่นั้นเนาะโยมนั่งสมาธิเลยแต่โยมเอาสัมมารหังมนาะท่านได้โอเคหรือเปล่าโอเคอเคพราะว่าสัมมาระหังก็ได้พุทธโธก็ได้นามาพาทาก็ได้ แต่ให้มีสติโยมนั่งสมาธิแต่โยมเอาสัมมาละหังได้ไม่ต่างกันแต่โยมได้สัมมาละหังมาหลายเกิอบสิบปีเลยท่านอืมจะได้สัมมาละหังไปอีกหลายสิบปีเลยโอ้เนาะถ้าไม่เจริญปัญญานะแสัมมาละหังเนี่ใจสงบเข้ามาได้สมาธินะแต่โยมแต่โยมว่าจะถามท่านบอกว่าเวลาโยมเอาเอากิจของโยมไปโยม ป้ากว่ากี่ของโยมเนี่นั่งว่าโยมอยากแขวงไมโครโฟนจิเสียงมันหายหมดเนาะให้คนถือให้เออว่าไงว่าไงโยมอะโยมบางโยมนั่งไปนั่งไปดต่บอดี้ของโยมอะไปอยู่ในคล้ายคล้ายบอลลูนนะท่านคล้ายไปอยู่ในไอในบอลลูเหมือนเหมือนก็คล้ายโอ้ยอะไรวะ ได้ยินบ้างว่าได้ยินบ้างนะรางกายไปอยู่อ๋อคือนั่งไปกำหนดไปนะครับเลาวร่างกายะหลุดออกจากร่างแล้วไปอยู่ในลูกโปรงคล้ายๆดวงแก้วครับนั่นแหละนั่นะจิตมีสมาธิเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไปเที่ยวอย่างนั้นแหละ ไปเที่ยวแล้วก็พบ ว, ว่าไม่ได้อะไรเลยกิเลสไม่หายอ่ะครับครับบอกว่าไปแล้วเห็นทุกอย่างที่อยากจะเห็นแล้วก็มีความสุขมากๆครับใช่นั่นแหละเดี๋ยวก็กลับมาบ้านเหมือนไปทัศนาจรไม่ล้างกิเลสนะแค่สบายใจต่อไปนี้มาเจริญปัญญาล้างกิเลสแล้วมาดูลงในร่างกายเห็นร่างกายนี้เหมือนตัวคนอื่นมาดูลงในใจเห็นจิตใจเหมือนคนอื่น แทนที่จะเที่ยวออกข้างนอกนะมาเที่ยวอยู่ในร่างกายมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูไปทีละส่วนให้จิตมาเที่ยวอยู่ในกก่นี่แหละนะไม่เที่ยวออกนอกม่วนบอครั บ, รบสําหรับคําถามสุดท้ายนะครับหลวงพ่อมีคนฝากมาถามนะครับ อ่าด้วยการอยู่ไกลแล้วก็ไม่มีครูบาอาจารย์แล้วก็มีญาติธรรมท่านหนึ่งปฏิบัติเองแล้วแล้วตอนตอนที่นั่งกรรมาฐานเนี่ยนั่งนั่งมาร่างกายหายแล้วตกใจครับกลัวตายก็เลยหยุดจากการนั่งกรรมาฐานแล้วไม่รู้จะทำไงทำยังไงเพราะกลัวว่าร่างกายกับจิตใจนั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันครับไม่ตายรอกยังไม่เคยเห็นใครนั่งกรรมาฐานตายเลยนะมีแต่พวกไม่นั่งกะตายเยอะแยะให้ไปนั่งอีงนี่าไปกลัว ถ้ากลัวนะให้ย้อนมาดูจิตให้เห็นเลยจิตมันกลัวครับผมช่วงนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับที่ให้ธรรมะพวกเรานะครับวันนี้ธรรมะที่พวกเราได้รับนะครับแจมแจ้งนะครับตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องปลายแล้วก็ที่สุดนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่พวกเราได้มีโอกาสนี้นะครับผมขออ่ามโนทนาสาธุกับทุกๆท่ททานนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้พวกเรา ซึ่งอยู่แดนไกลนะครับนานทีปีหนเราจะได้มีโอกาสได้เจอครูบาอาจารย์สักครั้งหนึ่งนะครับผมเองก็อยากจะขอกราบอารัตนาหลวงพ่อนะครับช่วยหลวงพ่อนําพาพวกเราปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าด้วยกันนะครับวันนี้พวกเราจะได้น้อมจิตปฏิบัติพร้อมกับหลวงพ่อซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่พวกเราอยากจะพบนะครับกราบนมัส ก, การหลวงพ่อครับ ก, ก่อนอื่นหลวงพ่อต้องถามก่อนจะให้นำํำทำสมถะหรือทำวิปัสสนา ทำวิปัสนาครับจะได้พ้นทุกข์ครับนะทำวิปัสนาเนี่ยขณะ น, นี้เราไม่ได้เดินออกไปข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายของเรากระทบอารมณ์ซ้ํากเนี่ยแตใจของเราเนี่ยยังคิดนึกอยู่เราไม่ห้ามใจที่คิดนึกนะให้คอยรู้ทันเวลาใจไหลไปคิดคอยรู้ทันนะพอมันคิดเรื่องนี้เกิดความสุขให้รู้ทันคิดไปแล้วเกิดความทุกข์ให้รู้ทันไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะให้รู้ทันความรู้สึกของตัวเอง เรารู้สึกดูถ้าคนไหนรู้สึกดูความรู้สึกไม่ออกมันนิ่งๆไปให้ดูกายเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูนะค่อยๆฝึกถ้าฝึกได้ร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเนี่ยต่อไปมันจะขึ้นวิปัสสนาดได้มันจะเห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงตอลอดเวลาเดี๋ยวก็พองเดี๋ยวก็ยุบเดี๋ยวหายใจเข้าหายใจออกนะแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเพราะฉะนั้นการนั่งทําวิปัสสนาเนี่ยก็คือการนั่งดูกายนั่งดูใจของตอนเอง ลองดูสิจะดูได้ไหมขั้นแรกเลยสังเกตลงไปสบายๆดูร่างกายมันนั่งร่างกายมันนั่งท่าไหนรู้สึกอยู่ลองรู้สึกในร่างกายของตัวเองรู้สึกสบายนะไม่ใช่ไปเพ่งๆไปบังคับรู้สึกอย่างสบายๆ สังเกตไหมขณะที่เรารู้สึกถึงร่างกายเนี่ยบางทีจิตเราก็หนีไปคิดเรื่องอื่ น, นถ้าจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ทันว่าจิตไหลไปแล้วจิตเคลื่อนไปแล้วแล้วก็กลับมาดูร่างกายต่อมาดูกายไว้นะแล้วพอจิตหนีไปเราคอยรู้ทำความรู้สึกขึ้นมานะสบาย เหมือนเรากำลังดูคนอื่นนั่งอยู่ดูตัวเองเนี่ยเหมือนเราเห็นคนอื่นกำลังนั่งอยู่เราเป็นคนดูสบายๆเราดูด้วยใจไม่ได้ดูด้ตาหนีไปคิดแล้วหนีไปคิดแล้วรู้ว่าหนีไปคิดนะ เอาต่อไปลองยกมือข้างขวาสิรู้สึกนะรู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวรู้สึกเอามือลงรู้สึกรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวมือลงเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูเนี่ยขยับไปแล้วก็ค่อยๆรู้สึกไปถ้าขยับไปแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าจิตหนีไปคิด แล้วกลับมาขยับอีกแล้วจิตหนีไปก็รู้ทัน <cetera> จิตหนีไปก็รู้ทั น, นเราจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาถ้าเรามีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยต่อไปเวลาเราออกไปข้างนอกห้อง ต, อตาเรามองเห็นนะความรู้สึกเกิดขึ้นมาเราจะรู้ทันเห็นดอกไม้สวยใจชอบจะรู้ว่าใจมันชอบมีความชอบเกิดขึ้น เหมือนเห็นคนอื่นมันชอบใจเราเป็นแค่คนดูนะลองไปทำดูนะลองไปทาดูไม่ชอบขยับนี่ก็หาอย่างอื่นมาทำก็ได้อะไรก็ได้ทำไว้สักอย่างหนึ่งก่อนแล้วคอยรู้ทันเวลาใจมันไหลไปคิดนะนี่หลวงพ่อให้ขยับเพราะว่าพวกเรานั่งอยู่กับที่นะเมื่อก่อนเวลาหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อไม่ถนัดเดินจงกรมน้ําหนักมันมากเพราะว่าบัณพบุรุษนี้อ้วนทั้งนั้นเลย กินข้าวนิดเดี๋ยวก็อว้วนละเดินมากๆไม่ไหวนั่งนั่งแล้วบางทีเคลมง่ายนถ้านั่งแล้วเคลิ้มเนี่ยไม่ดีหลวงพ่อมีพัดน์อยู่อันหนึ่งนะเมืองไทยมันร้อนนี่ใช่ไหมเรามีพัดน์อยู่อันหนึ่งนั่งพัดน์ไปเรื่อยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไปเอพัดน์ๆไปใจลอยหนีไปที่คิดเรื่องอื่นรู้ว่ามันใจลอยไปละก็กลับมาพัดใหม่รู้สึกตัวไปไม่ว่านะไม่ว่าจิตว่าหนีไปไม่ว่ามันอยากหนีก็ไม่ว่ามัน แล้ก็มาพัดไปพัดไปมันใจลอยไปอีกรู้อีกในทะี่สุดใจมันก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาได้ไอ้ใจมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อไปพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นนะมันมองเห็นเองมันมองเห็นเนี่ยไม่ใช่เพื่อไปแทรกแซงไม่ใช่เพื่อวควบกลุ่มบังคับแต่มองเห็นเพื่อจะได้เห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะเราต้องการให้เห็นตรงนี้ ความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความโหดหู่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดูให้เห็นตรงนี้นะเช่นวันหนึ่งจิตมันยอมรับความจริงเลยว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเอาเท่านี้นะต่อสมควรกราบราบขอพระคุณหลวงพ่อครับที่ให้โอกาสพวกเรานะครับ และช่วงต่อจากนี้ไปนะครับก็มีญาติธรรมนะครับหลายท่านที่อยากจะร่วมทำบุญกับหลวงพ่อนะครับแล้วพวกหลายๆท่านก็มีผ้าไตรนะครับกับสังฆทานช่วงนี้นะครับเราจะข อ, อตัวแทนนะครับที่จะขึ้นมาถวายผ้าไตรและก็ปัจจัยต่างๆนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากที่สนองนะครับปานศรีลากับ พี่บางคุนจะ ล, จะลงสินรับนะครับจากวัดแ t a m p a ของเรานะครับขอเชิญนะครับช่วงนี้นะครับท่านใดที่ได้มีเครื่องสังฆทานหรือว่าพี่น้องทุกทุกท่านนะครับขอน้อมจิตนะครับร่วมกันถวายพร้อมกับตัวแทนของเราในวันนี้นะครับ สำหรับพี่สนองกับพี่มงคลนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดนะครับที่ช่วยเหลือวัดมาตลอดวันนี้ได้โอกาสมาร่วมฟังธรรมกับพวกเรานะครับแล้วขณะทีะ่พี่ทั้งสองจะขึ้นไปนะครับผมจะขอเป็นตัวแทนในการกล่าวถวายให้แก่หลวงพ่อและขอทุกท่านน้อมจิตตามผมไปนะครับทุกท่านนะครับน้อมจิตตามผมนะครับ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งเครื่องสังฆทานกับของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับซึ่งเครื่องสังฆทานกับของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นการลนานเทิน ยถาวาริวาฮาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตาณังอุปกระปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตูสังกปาจันโูปันรโสยถามณิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชนตูสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคาโยโกภวะ อาภิวาทนาสีลิสนิจังวุทธาปั จ, จายิโนจั ต, ตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขขังพระลังสาธุาธหลวงพ่อขออนุโมทนานะกับผู้ที่ช่วยกันจัดงานคุณวิลลี่ไปสาไปนิมนต์กนะ็หลายคนช่วยกันทํางานได้ข่าว่าช่วยกันทําเวทีด้วยแล้วทําได้ดีนะ หลวงพ่อไม่ใช่เบาๆเรีขึ้นมาแล้วไม่ชุดด้วยนะพวกเรา็ย่านึกว่าเราอยู่ไกลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่กับเราอยู่ที่จิตใจของเรานี่เองถ้าใจเราคิดถึงพระพุทธเจ้านันก็เหมือนเราอยู่กับท่านเราก็มาศึกษาท่านห้ามอะไรเราก็อย่าอย่าไปทำท่านสั่งให้ทำอะไรเราก็ทำเหมือนท่านเป็นพ่อเป็นแม่เรานะ ถ้าเราอยู่กับท่านเรื่อยๆนะใจเราจะอบุ่นนะเราไม่ว่าเหวไม่ว่าอยู่คนเดียวก็ไม่ว่าเบยหรอกมันเหมือนคนมีพ่อมีแม่อยู่ตลอดเวลาเวลาเราภาวนาไปเนี่ยเราเข้าใกล้ธรรมามากขึ้นมากขึ้นถ้าวันใดที่ใจเราเข้าถึงธรร ม, มาแล้วเราจะรู้มีความรู้สึกเหมือนว่าเราเป็นคนที่หลงทางมานานแต่เวลานี้เรากลับบ้านได้แล้ว ถ้าเราได้ธรรมะเบื้องต้นมันก็คล้ายๆเรามาเจอถนนที่จะเดินไปสู่บ้านเรานะถ้าภาวนาไปถึงขีดสุดเหมือนเรากลับบ้านได้พรนะนิพพานนี่นเหมือนบ้านที่แท้จริงของเรานะเป็นที่ที่สงบสันติไม่ใช่อุดมกติเลื่อนๆลอย ๆ, ห ล, ยๆหลอกๆกันนะเป็นของที่เราภาวนาเราสัมผัสได้ถึงความสงบสุขในจิตใจนะั้น ถ้าเราสัมผัสได้เราจะรู้เลยว่าชีวิตของเราเนี่ยคุ้มค่าแล้วถ้าเราไม่ได้สัมผัสเราก็ไม่รู้สึกหรอกก็อยู่กับโลกทุกไปตามโลกสุขไปตามโลกที่เขาเป็นแต่ถ้าเราเข้าถึงธรรมะแล้วเรารู้เลยว่าโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวเราอยู่กับโลกทําหน้าที่ไปตามหน้าที่ของเราในโลกทําหน้าที่ต่อตัวเองทําหน้าที่ต่อครอบครัวต่อสังคมไปตามหน้าที่ เป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองนะชาวพุทธไม่ได้ทิ้งหน้าที่นะชาวพุทธไม่ใช่คนขี้เกียจขี้กล้านนะบางคนก็คิดว่าเป็นชาวพุทธนะต้องมักน้อยสันโดษมกักน้อยสันโดษไม่ได้แปลว่าขี้เกียจนะพําว่าสันโดษนะหมายถึงว่าทําเต็มฝีมือเลยนะแต่ว่ามันได้ผลเท่านี้ละโอเคพอใจก็มันได้แค่นี้ละสุดฝีมือได้แค่นี้ละแมก้ก็ปลุมใจนะ งั้นเราต้องขยันหมั่นเพียรอยู่กับโลกต้องขยันหมั่นเพียรนะทรรมาหากินไปพระเจ้าสอนละเอียดมากเลยธรรมะสำหรับอยู่กับโลกท่านก็สอนธรรมะเพื่อความพ้นโลกพ้นทุกข์ท่านก็สอนเราอยู่กับโลกทรรมะหากินนะมีความสุขจากการได้ทรัพย์มามีความสุขจากการใช้ใจ่ายมีความสุขจากการไม่เป็นหนี้สินคนไทยนะมีข้อเสียที่ร้ายแรงมากข้อหนึ่งนะเราต้องรู้ คือยอมรับสภาพคนไทยนี่ชอบเล่นการพนันการพนันเนี่ยไม่มีวิเศษวิโสหรอกไหยนะ์เอาง่ายๆเลยนะงั้นอย่าไปเล่นกับมันมากเนาะนิดนึงก็อย่าไปเล่นนะเล่นเล็กๆได้ต่อไปก็เล่นเยอะๆได้กระทั่งอยู่ในโลกยังหาความสุขไม่ได้เลยนะเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยลําบากมากเลยบางคนทําธุรกิจมีบ้านมีบริษัทมีอะไรขึ้นมาไปเล่นพนันนะหมดเนื้อหมดตัวหมด ตอนที่แกแล้วยิ่งแย่ใหญ่นะไม่มีกำลังละนี่เป็นข้อเสียมากๆเลยของคนไทยเราคือเล่นการพนันเก่งเหลือเกินความจริงชอบเล่นแต่เล่นไม่เก่งหรอกส่วนมากเจ๊งเนะสิ่งเหล่านี้นะถ้าเราทำได้เรามีชีวิตที่พอดีพอควรพออยู่พอกินนะทำงานได้เก็บไว้บ้างนะทำประโยชน์บ้างอนะไรย่างเงี้ย อย่าไปหลงกับโลกนะักโลกมันหลอกเราอยู่กับมันชั่วครั้งชั่วคราวงานหลักในชีวิตเราเนี่ยคืองานพัฒนาจิตวิญญาณของเราไปสู่ความพ้นทุกข์เรื่องอะไรเราจะต้องทุกข์ตลอดกาลเรื่องอะไรเราต้องจมอยู่ในความทุกข์คนส่วนใหญ่เขาไม่รู้ธรรมะเขาก็ต้องจมอยู่ในความทุกข์ตลอดกาลนั้นเขาช่วยตัวเองไม่ได้แต่พวกเรามีโอกาสรู้วิธีปฏิบัติธรรมเรามีโอกาสที่จะพ้นจากความทุกข์เรื่องอะไรเราจะจมอยู่ในความทุกข์ตลอดไป เรามายกระดับจิตวิญญาณของเราขึ้นมาให้ได้นะไม่ให้เสียชื่อว่าเป็นชาวพุทธนะวันนี้เท่านี้ก็พอแล้วนะแค่ น, นี้ก็ทํายากแล้วนะคแค่บอกไม่ให้เล่นผันันก็ยากแล้วล่ะครับเนี่ยดูแลรู้เลยชอบเล่นครับช่วงนี้นะครับอ่าก็ถือว่าหลวงพ่อก็ให้เราเต็มที่ท่านบอกว่าเทย่ามให้แล้วครับไม่เหลืออะไรกลับไปเมืองไทยเลยนะครับหลวงพ่อก็ถือว่า เป็นวันที่ดีของพวกเราช่วงนี้จะขอโอกาสทุกคนนะครับกราบหลวงพ่อเป็นการขอบคุณหลวงพ่อสำหรับวันนี้พร้อมกันนะครับกราบกราบกราบแล้วก็ขอให้หลวงพ่อรักษาสุขภาพเพื่อจะได้สอนลูกหลานต่อไปในอนาคตครับเนี่ยสุขภาพดีมาตลอดเลยนะมาอเมริกาสุขภาพแย่เลยเวลามันเปลี่ยนกันอะยังไม่หายหมึนเลยว่าจะถ่ายรูปไม่ใช่หรือ